ขอโอกาสครับจเจริญพรทุกทุกท่านเราคนไทยต้องเรียนนะศึกษาพระพุทธศาสนาของดีของวิเศษประจำบ้านประจำเมืองเรานับวันก็จะสับสนไปทุกทีทุกทีละคำสอนแท้ๆของพระเจ้ามันเข้าใจยากสำหรับคนที่กิเลสหนา ท่านสอนให้ลดให้ละให้ต่อสู้กิเลสเอาใจให้รอดออกจากกองทุกข์ให้ได้ท่านสอนให้ช่วยตัวเองคนส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดจะช่วยตัวเองคิดจะพึ่งคนอื่นพิจจะพึ่งสิ่งอื่นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์งั้นชาวพุทธแท้ๆเนะี่ยจะต้องเข้มแข็งคนอ่อนแอคนไม่คิดจะช่วยตัวเอง ไม่สามารถจะเรียนรู้พระพุทธาศาสนาได้จริงๆหรอกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการร้องขอขอให้พระช่วยให้เทวดาช่วยอะไรต่ออะไรเนศาสนาที่เราต้องช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านช่วยเราได้แค่ว่าท่านบอกทางที่จะพ้นทุกข์ให้เราเท่านั้นเองส่วนเรามีหน้าที่จะต้องเดินตามทางที่ท่านบอกทุกวันนี้พวกเราก็เห็นนะว่าบ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก คนเนี่ยเริ่มปฏิเนะสธพระนะพระนแทบจะกลายเป็นสัตว์ป่านะเหมือนช้างเหมือนอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีที่ให้อยู่ลนะกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจมีรนอรง์นะอย่าไซบาทดอย่าถวายปัจจัยอย่านอนอย่านี่นะบังคับมากมายเพราะว่ามันมีคนไม่ดีขึ้นมา คนไม่ดีขึ้นมาไม่รู้จะจัดการยังไงก็จัดการรวมๆไปเลยยิ่งนานวันเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราีย่ยิ่งลำบากนะพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยพระเนี่ยลดจำนวนลงเรื่อยๆพระสงฆ์ลดจานวนลงเรื่อยๆส่วนเนื้อแท้ของพระธรรมเนี่ยธรรมะนะ่ถูกปิดเปือนทั้งธรรมทั้งวินัยไม่มนไม่มีใครที่ตั้งอกตั้งใจจะรักษาจริง นี่เราจะไปหวังให้คนอื่นมาช่วยรักษาพระพุทธศาสนาให้เราเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราต้องรักษาของเราเองวิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดคือต้องลงมือปฏิบัติเรียนซะก่อนเรียนให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ทําอะไรทําเพื่ออะไรทําอย่างไรแล้วเราก็ลงมือทําให้เต็มที่ในเวลาไม่นาน เราจะเข้าถึงธรรมะใจเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆเป็นของดีของวิเศษซึ่งนานมากกว่าจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในโลกที่ยาวนานเนี่ยโอกาสที่จะมีพระสัตธรรมเกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มากหรอกช่วงเวลาสั้นๆอย่างดูช่วงเวลาที่โลกมืดบอดตั้งนานเพิ่งจะมีพระพุทธเจ้าจัดสรุมา 2,600 กกว่าปีเอง แล้ไม่รู้ว่าคําสอนท่านจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนการบิดเบือนนั้นเต็มไปหมดละถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเราแยกไม่ออกเราก็นึกว่าอะไรที่พระพูดนั่นแหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดโดนเขาหลอกก็ได้นะพวกไม่ดีเมื่อแอบแฝงเข้ามามันหลอกเอาเฉะั้นวันนี้เราไม่ไปพูดเรื่องพวกหลอกลวงเราจะมาพูดเรื่องของจริงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างท่านสอนให้เราทําอะไรนะ สอนให้เราทำอะไรบ้างท่านสอนให้เรามีศีลพัฒนาจิตให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องท่านสอนให้เราเจริญปัญญาเนี่ยให้ทำอะไรให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาทำเพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วมันได้อะไรได้ความพ้นทุกสิ้นเชิงงั้นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความดับสนิทแห่งทุกข์ะั้นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ความร่ารวย ด้วยพวกข้าศัพท์ทั้งหลายอย่างที่ชาวโลกเขาต้องการกันแต่ว่าเป็นความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เป็นความพ้นทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวแบบกลับกรอกเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็หายแบบนั้นยังใช้ไม่ได้จริงไม่ใช่คําสอนระดับว่าผู้เจ้าต้องมาสอนหรอกงั้นถามว่าทําอะไรเราต้องพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิพัฒนาปัญญาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําทําศีลสิกษ์ขาเรียนว่าทํำยังไงศีลจะเกิด จิตศึกขาเรียนว่าทำยังไงจิตของเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาศิกขาเรียนว่าทำยังไงจิตนี้จะฉลาดเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเห็นความจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นความจริงแล้วจะเบื่อเห็นความจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อนหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วความทุกข์มันจะหมดไปนะไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก ศานะ ส, สนาพุทธเป็นศาสนากับปัจจุบันนะไม่ใช่ศาสนารอชาติหน้านะไม่ใช่ว่าทําดีไปเถอะเราชาติหน้าจะสบายทําตั้งแต่ตอนนี้ลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้ความพ้นทุกเกิดขึ้นเดี๋ยวนีนะ้ไม่ต้องรองั้นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดแล้วพูดอีกนะไม่ว่าจะไปเทศที่ไหนเทศกี่ครั้งก็จะเทศอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละทํายังไงพวกเราจะมีศีลทำยังไงพวกเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องทอํายังไงพวกเราจะเกิดปัญญา ถ้าไม่เกิดปัญญาไม่เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจแล้วก็ไม่มีทางที่จิตจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพระพระุทธเจ้าท่านชี้ขาดเลยว่าบุคคลทั้งหลายนะถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่อยู่ๆปัญญาไม่เกิดห อ, อกต้องมีศีลมีสมาธิเป็นฐานการที่เราจะมีศีลเราจะมีสมาธิเราจะมีปัญญาเนี่ยนะขั้นแรกเลยเราต้องพัฒนาเครื่องมือที่สําคัญที่สุดขึ้นมาอนหนึ่งเครื่องมื อ, อ น, นี้เรียกว่าสตินะ ก็เราได้ยินคําว่าสติสตินะใครๆก็ได้ยินคําว่าสติบางทีก็เขียนข้างขวดเหล้าบอกดื่มสุราทําให้ขาดสติไม่รู้เราเอามาขายทําไมนะก็ยังมาเขียนอยู่ข้างขวดเหล้าดื่มสุราทาให้ขาดสติสติก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วยังจะทําให้ขาดมากขึ้นอีกสติไอย่างที่เขารู้จักกันมันแค่ว่าขับรถไม่ตกถนนก็เรียกว่ามีสติเดินไม่ตกท่อก็เรียกว่ามีสติมันไม่ใช่สติของผู้ที่เจ้าจริงหรอก สติที่พวกเราจะต้องฝึกนะเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยเวลาจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตเรามีสติทุกดวงทุกคนถ้าเมื่อไหร่จิตของเราเป็นกุศลนะจิตเรามีสติแล้วแต่มันไม่พ้นทุกสติอย่างนั้นเป็นสติที่เกิดกับกุศลทั่วๆไปเรียกสาธารณกุศลสติที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เรียกว่าสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่รู้ความจริงของรูปนามนะรู้กายสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจระลึกรู้อะไรได้บ้างถ้าแจงให้ละเอียดนะสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเช่นรู้ความโลภความโกรธความหลงนี่สติปัฏฐานะ นะถ้าตัวสุดท้ายเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติเข้าใจธรรมธรรมะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลล้วนแต่มีเหตุให้เกิดไม่ได้ลอยๆมาแล้วก็รู้กระบวนการที่จิตเนี่ยมันสร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเ่าตัวเองรู้วิธีรู้กระบวนการที่จิตจะดับความทุกข์ได้สนิทเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน สติปัฏฐานเป็นสติที่ระลึกรู้รูประลึกรู้นามไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาเราจะต้องรู้รูปรู้นามให้ได้นะถ้าเราไม่สามารถระลึกรู้รูปรู้นามได้เนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาของเราไม่มีทางพัฒนาให้เต็มที่ได้เลยงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พระพุทธเจ้าท่านถึงฟันธงนะว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราไม่เรียนมันก็ไม่บริสุทธิ์หลุดพ้นสักทีหรอก สติปัฏฐานนะั่นะทําไปเพื่อสองวัตถุประสงค์เบื้องต้นทําไปเพื่อความมีสติเบื้องปลายทําไปเพื่อความมีปัญญานะมีสองวัตถุประสงค์นะนี่ทํามีสติแล้วเนี่ยอาศัยสติเนี่ยมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิเป็นบาดเป็นฐานก็ได้ปัญญามานะจเจริญสติปัฏฐานจนเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาเต็มที่มิมุติคือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วจิตก็พ้นจากความทุกข์สิ้นเฉิง เน่พวกเรารู้สึกไหมเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ใจเราหนีใจหนีแว บ, บไปเนี่ยใจเราพร้อมจะหนีเรียกว่าอะไรในขณะที่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ใจเราไปอยู่ที่โทรศัพท์ใช่ไหมขณะนั้นเรามีร่างกายเราลืมร่างกายนี่เรียกขาดสติขณะนั้นจิตใจเราก็มีอยู่สุขทุกข์ดีชั่วในใจเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้ไม่เห็นนี่เรียกว่าขาดสตนะิสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกาย เป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจนี่ทํำยังไงสติจะเกิดสติเองเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้นะสติเนี่ยเป็นของที่สั่งให้เกิดไม่ได้ในความเป็นจริงแล้วที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยไม่มีอะไรที่สั่งได้สักอย่างเดียวทำทั้ ง, งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเป็นความปรุงแตง่งทั้งที่ไม่ปรุงแต่งนะมันจะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับทั้งหมดเลยสติเองก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้นะไม่มีอะไรบังคับได้สักอย่าง ในเมื่อมันบังคับไม่ได้เราทำยังไงมันจะเกิดขึ้นเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้แต่สติจะเกิดเองเมื่อมีเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดถ้าไม่มีเหตุสิ่งนั้นไม่เกิดถ้ามีเหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วพอเหตุมันดับตัวมันก็ดับสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุสติก็เหมือนกันทำยังไงเราจะสามารถระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเองได้โดยไม่ได ah. ้เจตนาระลึกรู้สบาย นะอย่างใจมีเสียงโทรศัพท์ดังใจเราหนีไปเนี่ยเรารู้ทันว่าใจมันหนีไปความรู้สึกในตัวเองมันก็เกิดขึ้นร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเรารู้สึกขึ้นมาเรียกว่ามีสติสติเนี่ยมีอะไรเป็นตัวทำให้เกิดสติเนี่ยมีการจําสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดถ้าเราสามารถเห็นสภาวะบ่อยๆนะถ้าเราเห็นสภาวะทำได้บ่อยๆจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ เช่นเราเห็นร่างกายหายใจออกเรารู้สึกร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกเนี่ยรับฝึกของเราอย right. pues ู่แค่นี้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะบางคนไม่ชอบหายใจก็ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ยืนก็รู้สึกตัวเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวนอนก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใจลอยนะไม่ใจลอยไปคอยรู้สึกคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจโดยไม่ไปบังคับมันการที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยเวลาเราเผลอ เวลาเราเผลอเราเกิดร่างกายเราเคลื่อนไหวหรือจิตใจเราเคลื่อนไหวขึ้นมาเนียสติจะเกิดโดยไม่ได้เชิญให้เกิดไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดเลยมันจะเกิดอัตโนมัตินะ่ะนั่นเราต้องมาค่อยๆฝึกการที่ทำสติปัฏฐานนะ <c oughs> เช่นเบื้องต้นเลยท่านสอนกายานุปัสสนากายาทังปัสสนาบับแรกเลยบทแรกเลยคือเรื่องการหายใจบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รูนะ้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ เนื้อหายใจไปแล้วก็คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปนะถ้าใจมันหนีไปใจมันลอยไปก็รู้ว่าใจลอยนะถ้าใจมันมาอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ดีที่สุดนะไม่ได้บังคับว่าห้ามใจลอยนะแต่ว่าหายใจไปสบายๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเฉพาะมันหนีไปคิดเรื่องอื่นพอสมมุติว่าเราหายใจแล้วก็คอยรู้อยู่เรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่ง เราเกิดไปเดินถนนนะไปเห็นสาวสวยนะในนี้ผู้หญิงเยอะก็บอกไปเห็นหนุ่มหลอนะ่อไปเห็นสาวสวยหรือไปเห็นหนุ่มหล่อนี่ยใจเราชอบใจเราเผลอไปอยู่ที่เขาปุ๊บตื่นเต้นเห็นคนสวยคนหล่อมามันตื่นเต้นนะเวลาที่เราตื่นเต้นสังเกตไหมจังหวะการหายใจของเราจะเปลี่ยนอย่างเวลาเราตื่นเต้นใจเราจะหายใจเร็วเร็วขึ้น หรือเวลาเรามีราคะมีราคะแรงๆก็จะหายใจแรงเห็นไหมเวลาเราโกรธแรงๆก็หายใจแรงเนี่ยเวลาเราเผลอตัวนะแล้วความรู้สึกแปลกปลอมเกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยมันจะรู้สึกเองนะถ้าเราหัดหัดถ้าเราหัดรู้ลมหายใจนะพอความรู้สึกมันเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนพอลมหายใจเปลี่ยนสติจะระลึกได้เลยว่าอ้อาวหายใจเปลี่ยนจังหวะไปล้จะรู้สึกตัวขึ้นมา แต่ถ้าเราใช้ดูจิตดูใจเอาแค่ความรู้สึกเปลี่ยนเรารู้ว่าความรู้สึกเปลี่ยนนะสติเราเลืกรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนสติก็เกิดเลยนะไม่ต้องหลายสเตินะถ้าดูกายก็ยาวนิดนึงนะแต่หลวงพ่อเคยฝึกนะเคยไปหาหลวงพ่อเทียนตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วล่ะครูบาอาจารย์รับรองว่าช่วยตัวเองได้ไม่พลาดละบอครูบาอาจารย์ว่าช่วยตัวเองได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็เที่ยวออกไปดูสำนักโน้นสำนักนี้นะเที่ยวไปดูเรื่อยๆเลย สำนักนี้ก็ใช้ได้สำนักนี้ไม่เอาไหนเลยเพราะนามไม่เป็นอย่างนี้นะเที่ยวดูๆไปเจอหลวงพเจียนหลวงพเจียนน่ะขยับมือศอลูกศิษขยับนะแต่หลวงพเทียนขยับแล้วรู้สึกตัวเนี่ยความความรู้สึกตัวนี่มีจุดสําคัญอยู่ที่ความมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จุดสําคัญไม่ใช่กระบวนท่าที่ขยับนะกระบวนท่าจะขยับกี่จังหวะไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ขยับแล้วรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อเห็นท่านขยับก็อลองบังลองแม้ตั้งสิจังหวะ เราเป็นพวกโทรสะจริตอย่างร้ายแรงนะรําคาญอุ้ยสิบสี่จังหวะเยอะไปลาคาญเอาแค่เนี้ยแค่นี้เองไม่ต้องสิบสี่จังหวะต่อมาอย่างนี้เมื่อยนะเอาแค่นี้เองค่เนี้แตะแล้วรู้สึกแต่เรารู้สึกตัวนะแค่นี้เองวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนไม่เจอนานแล้วเพื่อนคนนี้ดีใจพอดีใจปุ๊บไม่เห็นว่าดีใจนะขาดสติก้าวเท้าไป เพื่อจะไปคุยกับเขาจะข้ามถนนไปคุยกับเขาพอเท้าเคลื่อนทนสติเกิดเองเลยเพราะอะไรเพราะเราเคยเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกเนี่ยสติจะเกิดได้เองนะถ้าเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆพอหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วพอเกิดสภาวะขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองมันจะระลึกขึ้นมาได้เองเราระลึกรู้อะไรนะระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตแล้วสุดท้ายจะระลึกรู้ธรรม จะรู้ทั้งกุศลทั้งอกุศลรู้กระบวนการทํางานอันนั้นจะไปรู้ทุกคนแหละจะรู้ทีหลังแล้วไม่ว่าเราจะเลิญสติปัฏฐานในเบื้องต้นเราจะใช้กายเวทนาหรือจิตก็ตามนะถ้าพัฒนาในเบื้องต้นได้ได้สติพัฒนาไปเรื่อยๆได้ปัญญาถ้าปัญญาถึงขีดสุดเนี่ยมันจะขึ้นสู่ธรรมานุปัสสนาเองโดยเฉพาะมันจะเข้าไปบรบบสุดท้ายของธรรมานุปัสสนานจะไปรู้อริยสัจไม่ว่าใครภาวนาถูกนะ จะเดินมาเริ่มต้นมาจากกายหรือจากเวทนาหรือจากจิตลกท้ายจะไปรู้แจ้งอริยสัจถ์ถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังเวียนว่ายไต่เกิดอีกถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วถึงจะพ้นจากโลกได้พ้นจากวัฏฏะได้งั้นสุดท้ายปลายทางนะั้ยมันจะไปรู้แจ้งอริยสัจทุกคนแหละถ้าปฏิบัติ ถ, ถูกแล้วปฏิบัติมากพอในเบื้องต้นนะถนัดรู้กายก็รู้กายไปอย่างบางคน ถ้ารู้สึกจิตไม่เป็นนะก็ดูกายดูกายหายใจออกดูกายหายใจเข้าคอยรู้สึกอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยคือศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สองคือนั่งเพ่งเช่นจะรู้ลมหายใจก็จ้องจ้องจนกระทั่งใจแข็งทื่อ อ, อย่างนี้บอกไม่มีกิเลสแล้วนี่จริงจิตกายเป็นซอมบี้ไปแล้วจิตมนุษย์มันหนาอย่าไปบังคับมัน เราเดินในทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่เผลอเลื่อนลอยไปแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้ไม่บังคับกายไม่บังคับใจแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจถึงนะจะเรียกว่ามีสติที่อยู่ในทางสายกลางจริงๆ ง, งั้นต้องฝึกนะเพราะฉะพวกเราต้องฝึกต้องทําสติปัฏฐานสักอย่างหนึ่งคนไหนดูกายได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว คนไหนไม่ชอบรู้ลมหายใจนะรู้สึกลมหายใจมันละเอียดไปก็มาดูร่างกายยืนรู้สึกร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไปเรื่อยนะคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวขึ้นมานะไม่เจตนาจะรู้มันจะรู้เองตรงที่ไม่เจตนาจะรู้แล้วรู้ได้เองนี่แหละเรียกว่าเกิดสติตัวจริงละหรือไม่ถนัดที่ดูกายเราก็ดูจิตเอาคนไหน ดูจิตนะอาจจะดูว่าจิตมีความสุขเราก็รู้จิตไม่มีความสุขจิตเฉยๆยก็รู้จิตมีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้หากรู้แค่นี้ก็พอละนะต่อไปเนี่ยเวลาความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตเนะี่ยสติจะระลึกได้เองมันจะรู้ขึ้นเองว่าตอนนี้มีความสุขตอนนี้มีความทุกข์ตอนนี้เฉยเฉยนี่หากรู้หากดูว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงตอนนี้พวกเราคนไหนมีความสุขบ้างยกมือซิตอนนี้ใครมีความทุกข์ยกมือซิ ตอนนี้ใครเฉยๆยกมือซิเออถูกตอบถูกนะใช้ได้แค่ลองถามดูก็รู้แล้วว่าโกหกหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ธรรมะมันกําลังดูเดือดพวกเรายังไม่มีความสุขยังเข้มข้นอยู่นะตั้งใจฟังถามว่ามีความทุกข์ไหมยังไม่ทุกข์เพราะายังไม่นานพอนะถ้านานกว่า น, นี้เดี๋ยวจะทุกข์แล้วรู้สึกไหมตอนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์เห็นไหมมีความสุ ข, ขขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยหัดรู้อ ย, อย่างเนี้ย ใจิตใจมีความสุขเราก็รู้ใจิตใจมีความทุกข์เราก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้ฮัดดูไปบ่อยๆต่อไปนะความสุขผุดขึ้นมาปุ๊บสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยรู้โอ้มีความสุขละหรือความทุกข์ผุดขึ้นมาปุ๊บมันรู้เลยว่ามีความทุกขล์ละรู้สึกไหมขณะนี้ยใจเรากับตะกี้ไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมว่าใจเราขณะนี้ยสว่างกว่าเมื่อกี้ใครรู้สึกว่าสว่างขึ้นบ้างรู้สึกไหมเออนะเขาเปิดไฟเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เห็นไหมตอนที่หัวเร้อร่างกายเราหัวเราะแต่เราไม่เห็นนึกออกไหมเห็นอะไรตอนนั้นเห็นหลวงพ่อไม่เห็นว่ากําลังอย่างนี้ไม่เห็นนะนีいい่เรียกเราขาดสตินะถ้าเรามีสติเราก็เห็นร่างกายกำลังหัวเราะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายบิดไปบิดมาเห็นร่างกายเกาเห็นร่างกายยิ้มเอายิ้มสิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเลยนะเหมือนที่เรามีคนมาบอกรักเราครั้งแรกยิ้มนะ เนี่ยเห็นไหมว่าใจเราคลายออกรู้สึกไหมนะรู้สึกลงไปนะอย่างหน้าเรายิ้มเนี่ยเราก็รู้สึกเนะนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยหาดู้สึกอย่างเนี้ยนะอันนี้เป็นเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพาอยู่ในหมวดกายนะหมวดกายในหมวดกายมีทั้งหลายอย่างรู้ลมหายใจก็ได้รู้อิริยาบถก็ได้รู้ความเคลื่อนไหวก็ได้เช่นยิ้มเนี่ยร่างกายมันยิ้มร่างกายมันพยักหน้าค่อยรู้สึกเรื่อยๆ หรือจะรู้สึกที่ใจใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้รู้ไกลก็ได้รู้ใจก็ได้หรือบางคนขี้มโมโหพวกเราคนไหนขี้มโมโหบ้างยกมือเสีเป็นไหนขี้มโมโหนะคนไหนขี้โลบเจออะไรชอบหมดเมียชาวบ้านก็ชอบเห็น <c oughs> ไหมเป็นไหนขี้โลบผู้หญิงไม่ไม่ยกมือเพราะไม่ได้ชอบเมียชาวบ้านนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยกมือคนไหนฟุ้งซ่านเก่ง นนคนไหนหดหูหดหูบ่อยมีไหมใจหดหูเศร้าเป็นนางเอกตลอดชาติเศร้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราเป็นพวกที่มีกิเลสแรงๆนะขี้โมโหเงี้ยเราจะเิญสติด้วยการรู้เลยจิตลรโมโหขึ้มารู้ทันแล้วก็จะเห็นเลยโมโหอ ย, อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปคนไหนขี้โลภเราก็ดูจิตโลภ เหมือนที่พระเทเจ้าสอนนดูคราพิสูทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะไม่เห็นท่านห้ามเลยนะท่านไม่ได้ห้ามว่าพิสูทั้งหลายห้ามมีราคะพิสูทั้งหลายห้ามมีโทสะเนี่ยไม่ห้ามท่านบอกว่าพิสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะพิสูทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะคนไหนขี้โกรธ เราก็ดูไปใจโกรธขึ้นมาเราก็รู้ใจหายโกรธเราก็รู้หัดดูไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยพอความโกรธมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจต น, นาจะรู้เลยนะมันจะรู้ได้เองว่าโกรธแล้วะจะมีคําว่าแล้วด้วยนะมันจะโกรธแล้วหรือคนไหนขี้โลบเราก็ดูไปเดี๋ยวเจออันนี้ก็อยากได้เห็นอันนี้ก็อยากได้นะได้ยินเพลงอันนี้ก็อยากได้อีกอยากไปซื้อมาอยากไปแอบดาวน์โหลดเข้ามาอะไรเนี้ยนะเนี่ยใจมันอยากได้ไม่ว่าเจออะไรอยากได้หมด นะให้รู้ทันว่าใจมันโลภใจมันอยากได้ถ้ารู้บ่อยๆนะต่อไปพอใจโลภปุ๊บสติเกิดเองเลยอุ๊ยอยากแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอยากแล้วมีคำว่าแล้วนะความอยากเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าอยากโกรธแล้วความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธเนี่ยการดูจิต ด, ดูใจนะจะไม่เหมือนดูกายดูกายดูเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้พยักหน้าตอนนี้ยิ้มนะตอนนี้นาวาเดี๋ยวนี้นะถ้าดูจิต ด, ดูใจก็ มันแล้วแล้วแล้วนะโกรธแล้วโกรธแล้วก็รู้โลบแล้วก็รู้ไมนะ่หัดรู้สภาวะไปนะอะไรก็ได้ในกายในใจของเรา่นี้จะดูกายหายใจออกหายใจเข้าดูกายยืนเดินนั่งนอนดูกายเคลื่อนไหวต่างๆได้ทั้งนั้นจะดูความสุขความทุกข์ในกายดูความสุขความทุกข์ในใจก็ได้นะหรือจะดูโลบโกรธหลงในใจเราก็ได้คนไหนถนัดดูอะไรดูนั้นแหละสิ่งที่ได้มันได้อันเดียวกันคือได้สติ อย่างเราหัดรู้ลมหายใจนะต่อไปเวลาเราเผลอตัวแล้วลมหายใจเปลี่ยนจังหวะสติเกิดเองเราหัดรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะต่อไปเมอ ร, ร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจะขยับนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาปุ๊บมันรู้สึกเองเลยนะพวกเราเวลานั่งเก้าอี้ที่มีเท้าแขนอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะลุกขึ้นเราขยับอะไรก่อนนึกออกไหมใครเคยนั่งเก้าอี้ที่มีเท้าแขนบ้างยกมือซิแล้วตอบถูกไหม ขยับอะไรก่อนนะใครขยับเท้าก่อนใครขยับเอวแล้วขยับอะไรขยับแขนขยับมือนะขยับแขนถูกแปลกนะเวลาเรากินข้าวเวลาเรากลืนข้าวเราหายใจออกหรือเราหายใจเข้าวเวลาพูดหายใจออกหรือหายใจเข้า เวลากลืนอนะ่ะหายใจออกหายใจเข้าตอบสิคงได้สำลักตายกันบ้างแหละ <c oughs> กินข้าวกัตั้งแต่เกิดนะกินน ม, มตั้งแต่เกิดตอนกลืนนีหายใจยังไงหรือหายใจสำลักเลยใช่ไหมเนี่ยตัวของเราเองนะไม่เคยรู้เลยคนอื่นใครไปทําอะไรนะมีข่าวซุบซิบรู้หมดประเทศเลยนะดาราต่างประเทศทําอะไรนักบอลต่างประเทศทํำอะไรรู้หมดเลยนะแต่ตัวเองทําอะไรไม่รู้เลย อาภัพนะต่อไปนี้พยายามรู้สึกตัวเองบ้างถ้าเจอกันคราวหน้าหลวงพ่อถามต้องตอบถูกนะอย่าเล่นมั่วนะเวลากลืนอาหารไปสังเกตดูหายใจยังไงเวลาพูดอนะ่ะหายใจเข้าได้ไหมเอาลองหายใจเข้าแล้วพูดสิลองได้ไหมหายใจไม่ได้นะ เนี่ยคอยรู้สึกนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าเรียนนะถ้าเราคอยรู้สึกในร่างกายรู้สึกอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยต่อไปสติมันจะเกิดพอร่างกายเรากระดุกดิกนิดเดียวนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาหรือจะดูความสุขความทุกข์ก็ได้นะคนไหนถนัดดูความสุขความทุกข์ก็ดูไปความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะความสุขหายไปความทุกข์หายไปรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอสุขทุกข์เกิดขึ้นสติเกิดเอง หรือจะดูจิตใจที่เป็นกิเลสทั้งหลายก็ได้ขี้โมโหก็ดูเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยดูไปถนัดตัวไหนเอาตัวนั้นขี้โกรธก็ดูพวกตะกูลโทสะไปขี้โลภก็ดูพวกโลภไปแต่ดูตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะตัวที่มีบ่อยๆแต่สุดท้ายจะรู้ทุกตัวแหละได้ตัวหนึ่งแล้วได้ทุกตัวคล้ายๆกสินกระสินเนี่ยถ้าเราเล่นได้ตัวหนึ่งก่อนนะเราจะได้ทุกตัวแหละ กสินไม่ว่าเราจะใช้กสินอะไรนะสุดท้ายมันลงไปที่แสงอันเดียวกันกลายเป็นดวงสว่างอันเดียวกันหมดนะงั้นได้ดวงหนึ่งก็ได้ได้ไดทุกตัวกรรมาฐานนี้ก็เหมือนกันเริ่มจากรู้กายนะสุดท้ายรู้หมดเริ่มจากรู้เวทนาคือความสุขทุกข์สุดท้ายรู้หมดรู้จากกุศลอกุศลนะสุดท้ายก็รู้หมดงัไม่ต้องตกใจเราหัดไปเรื่อยๆต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายสติเกิดเองอะไรเกิดขึ้นในใจสติเกิดเอง สติเกิดแล้วมันจะพัฒนาคุณงามความดีขึ้นไปได้อาศัยสตินะคอยรู้ทันเวลากิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจกิเลสไม่เกิดที่กายกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวเท่านั้นเองโกรธเป็นไหมโลภเป็นไหมเออหลงเป็นไหมใจลอยฟุ้งซ่านหดหูอิจฉาอิจฉาเป็นไหมใครอิจฉาเก่งยกมือซิมีไหมไหนโชเลยยกต้งหาหน่อยเรียนธรรมะไม่กลัวอพวกที่อิจฉา นะใครขี้เหงาโยกเมือซิดูไวแล้วไม่น่าจะเหงาเลยมันเลยวัยรุ่นไปทั้งหลายสิบปีแล้วเนะี่ยไปหัดดูนะแล้วตัวไหนเด่นรู้ไปด้วยแล้วต่อไปถ้ากิเลสอะไรเกิดที่ใจขึ้นมานะรู้ไวๆโรบเกิดขึ้นรู้ทันโกรธเกิดขึ้นรู้ทันะฟุ้งซ่านใจลอยเกิดขึ้นรู้ทัน กิเลสอะไรเกิดเราคอยรู้บ่อยๆแล้วศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติศีล5้าเนี่ยนะมันเกิดมันผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบใจอย่างเวลาเรามีความโกรธนะเราก็ผิดศีลข้อหนึ่งได้ไปทําร้ายเขาได้ใช่ไหมแกล้งไปขโมยทรัพย์สินเขาก็ได้ใช่ไหมแกล้งไปหลอกลูกสาวเขาก็ได้ ถ, ถ้าที่เกลียดพ่อตานะแต่แกล้งไปจีบลูกเขาแกล้งอกหักแกล้งให้มันอกหักเล่ น, นให้พ่อตามันจิบใจหรือ เราเกลียดเขามากมากนะเราไปด่าเขาก็ได้ใช่ไหมหรือเราไปแกล้งชมก็ได้รู้ไว้แต่เนี่ยถ้าชมแล้วเลงนะเราชมอุยท่านวิเศษอย่างนี้ท่านวิเศษอย่างนี้เนี่ยบางคนมันเกลียดนะเกลียดแต่มันแกล้งชมนะชมชมช ม, ชมให้เสียคนไปเลยหนะลอกให้เสียคนไปเลยงั้นอย่างเวลาเรามีโทสะนะก็าทาผิดศีลได้ทุกข้อเวลาจิตใจโมโหจิตใจกลุ้มใจไปกินเหล้าก็ได้เห็นไหมหรือมีความโลภ มีความโลภนะทำผิดศีลได้ห้าข้อเหมือนกันเรามีความโลภเราไปทำลายเขาได้ใช่ไหมไปแย่งชิงสมบัติเขานะไปผิดลูกผิดเมียเขาไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาทำได้หมดหรือเวลาใจมีความโลภใจมีโลภะมีราคะใจจะมีความสุขเวลาเราถูกหวยขึ้นมาเห็นไหมมีความสุขต้องฉลองอะไรเนี้ยนะก็นะกินเหล้างั้นเวลาโลภเกิดขึ้นนะก็ทำผิดศีลห้าได้โกรธเกิดขึ้นทำผิดศีลห้าได้แต่โลภกับโกรธเลยเนี้ยนะโลภโกรธลงเนี้ย มันแพ้สติถ้าเมื่อไหร่มีสติพวกเราต้องจําไว้นะตรงนี้เมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นเราหัดรู้ทันใจเรามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้โกโรธขึ้นมาเรารู้หงุดหงิดเรารู้อิจฉาเรารูนะ้พอใจอยากได้อะไรเนี่ยรู้ทันเข้าไปรู้ ร, ร, ร, รู้เข้าไปเรืกิเลสมันจะดับอย่างความโกโรธเกิดขึ้นเราดูปุ๊บมันดับไปแล้วเราจะไม่ทําผิดศีล ว, ว่าความโกรธความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันความโลภมันดับเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะความโลภงั้นการที่เราคอยรู้ทันมีสตินะรู้ไปเรื่อยรู้ทันจิตของเราเรื่อยสตินั่นแหละเป็นเครื่องคุุมครองรักษาจิตหน้าที่ของสตินะทหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนะเวลาที่สติเกิดเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับอกุศลใหม่เกิดไม่ได้ในขณะที่มีสตินะั้นจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว แลถ้ามีสติบ่อยๆนะกุศลก็มากขึ้นมากขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นถนะ้าขาดสติตัวเดียวขาดความดีทั้งหมดเลยมีสติก็เป็นบาตเป็นฐานที่จะมีความดีทั้งหลายตามมาเพราะฉะนั้นเรื่องสติสําคัญมากนะพวกเราต้องฝึกทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะจะรู้ร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นิ่งอะไรก็ได้หรือจะดูสุขทุกข์ก็ได้จะดูจิตใจที่โบลบปกดลงก็ได้นะ รู้ไปเไรื่อยๆแล้วสติเกิดพอสติเกิดแล้วต่อไปพอกิเลสเกิดนะสติรู้ทันศีลจะเกิดอัตโนมัติศีลจะรักษาง่ายไม่ต้องตั้งใจรักษาไม่ต้องเที่ยวขอจากพระเลยนะมันมีศีลอัตโนมัติขึ้นมาเบื้องต้นก็ตั้งใจขอศีลกับตัวเองปฏิญาณกับตัวเองว่าเราจะรักษาศีล5เอาแค่หาข้อก็พอละไม่ต้องศีล8ดหรอกเดี๋ยวอาจะเปื้อนซะก่อนนะเรียก8เปื้อนนะเอาศีล5้าให้ได้ก็แล้ว ก, กันนะ ทุกวันเราตั้งใจนะรักษาศีลรักษาศีลไม่ต้องไปขอที่พระก็ได้แเดี๋ยวพระให้ไปทุกวันนะหมดเลยพระศีลหมดก็นะ แ, แจกโยมไปหมดแล้วนะี่ถ้าเราฝึกนะฝึกให้มีสติด้วยการทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่หลวงพ่อบอกแล้วนะรู้คลมหายใจรู้อะไรพวกนี้รู้ความสุขทุกเรู้ดีรู้ชั่วพอสติเกิดแล้วต่อไปถ้ากิเลสเกิดนะรู้ทันศีลจะเกิดแล้วต่อไปเราพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้น แต่เดิมเรารู้สึกสมาธิเป็นของทํายากถ้าฝึกวิธีที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสมาธินหมูในอวยแค่นี้จิตรวมแ่ไหมทันทีทําได้รวดเร็วนะในคลิปตาเดียวเท่านั้นเองวิธีเนี่ยไม่ยากนะวิธีไม่ยากเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นศัตรูของสมาธิสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตศัตรูก็คือความไม่ตั้งมั่นความคลอนแคลนความซัดสายความไหลไปไหลามา ถ้าอย่างอย่างนี้ก็ไม่ค่อยตั้งแล้วหลุดรึบไปเลยอันนี้หลงไปเลยนี่ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านนันศัตรูของสมาธิจริงๆคือความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเกุศลเป็นอณกุศลงั้นมันแพ้อะไรแพ้สตินมันแพ้สติงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่าน จิตจะเป็นไงจิตก็มีสมาธิสิง่ายแค่นี้เองนะไม่เห็นจะต้องทำกรรมฐานอะไรมากมายบางคนต้องเข้าฌานอาศัยอำนาจขององค์ฌานทั้ง5้านะทำให้เกิดนี่ิตกวิจาร ต, ตีตีสุเอกาคตานะเกิดสมาธิขึ้นมาอาศัยองค์ฌ า, ทา น, นทั้ง5ไปข่มนิวรณทั้ง5เรื่องมากอาศัยสติตัวเดียวนี้แหละกิเลสกี่ร้อยกี่พันตัวสติรู้ทันตัวเดียวนะกิเลสจะเจอหมดนะไม่จาเป็นต้องอาศัย องคศาทั้งห้าไปขม่มนิวรณ์ทั้งห้าแล้วเกิดสมาธิหลอกเสียเวลางานวิธีที่จะทําให้เรามีสมาธิได้รวดเร็วนะให้จิตใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกปานวิธีที่ง่ายที่สุดนึงคือรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านจิตใจเราจะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไ ป, งงไปคิดนั่จิตเราจะหนีเที่ยวตลอดเวลาลองดูซินี่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะลองดูว่าเป็นพระแบบไหน นั่งแบบไหนดูให้ดีเดี๋ยวจะถามนั่งแบบไหนดูยอดด้วยนะยอดเป็นแบบไหนยอดแหลมหรือยอดทู่สังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูพระเนี่ยใจเรามาอยู่ที่พระรู้สึกไหมใจเราวิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เอาใหม่ต่อไปนี้เอาหัวแม่มือตัวเองไม่ต้องไปยุ่งหัวแม่มือคนอื่นนะเนี่ยให้ใจเราไปอยู่ที่หัวแม่มือตัวเอง จดจอลงไปอ้าพอหรือปวดแม่มือซะ ย, ยิ้มหวานทีหนึ่งก่อนยิ้มหวานให้ใจไปอยู่ที่ผมซิผมถ้าใครหัวดร้านก็เอาไงเดีเอาหนังหัวก็แล้วกันะเออใครมีผมไม่รู้สึกที่ผมซิให้ใจไปอยู่ที่ผมไปที่ผมนี่ยากกว่าปวดแม่มือฮะบางคนมันเลยคิดเรื่องอื่นไปเลยถ้ารู้หัวออกไป นะลองให้ใจไปอยู่ที่หัวแม่เท้าสิคักนะไหนก็ได้เอาหัวแม่เท้าอันเดียวรู้สึกไหมใจเรามันเคลื่อนไดนะ้เคลื่อนมาที่พระพุทธรูปก็ได้นะเคลื่อนอยู่ในร่างกายก็ได้เคลื่อนออกไปข้างนอกก็ไดนะ้มันเคลื่อนไปคิดก็ได้เราจะทดสอบวิธีดูใจที่เคลื่อนไปคิดหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดอย่าคิดนะเอา้า คิดไหมคิดอย่าไปห้ามเลยถึงยังไงเขาคิดไม่ต้องห้ามหรอกนะที่หลวงพ่อบอกอย่าคิดอย่าคิดนะเพื่อให้เราเห็นนะเพราะมันแอบคิดได้เองฮะไม่ได้เจตนาจะคิดเลยนะมันคิดได้เองเนี่เราคอยรู้ทันนะจิตนี้ไปดูก็รู้จิตนี้ไปฟังก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังด้วยกระดูกก็รู้จิตออกไปอยู่ที่พระพุทธรูปก็รู้จิตไปอยู่ที่ไหนก็รู้ เนี่ยจิตมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปขึมาถ้าเรารู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะจิตมันจะเลิกวิ่งมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอัตโนมัติเลยหลวงพ่อฝึกได้ตั้งแต่เป็นโยมนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเนะี่ยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่รู้อะไรหรอกรู้ตัวจิตมันตั้งมั่นจิตมันไม่ไหลนะโดยที่ไม่ได้บังคับนะทำไมจิตมันตั้งมั่นโดยไม่ได้บังคับเพราะเวลามันไหลเรารู้ทัน เวลเรื่องเรารู้ทันจิตเครื่องเรารู้จิตเครื่อเรารู้มันมีวิธีฝึกวิธีฝึกอย่างหนึ่งนะคือเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเราหายใจไปก็ได้หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีให้มันหนีไปคิดก็รู้มันหนีไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีบ่อยๆนะสมาธิที่แท้จริงน่ยจะเกิดขึ้นนะสมาธิอย่างนี้สําคัญมากนะสภาวะนี้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา เมื่อจิตมันมีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วเรียกขั้นเจริญปัญญาคราวนี้แหละจะได้มากผลหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ก่อนจะได้มากผลจิตต้องเป็นผู้รู้สก่อนสติต้องว่องไวนะมีศีลมีสมาธิขึ้นมาแล้ววิธีที่ให้เกิดปัญญานะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจเนะี่ยอย่ามัวแต่ไปดูว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนแล้วรู้ไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นแตถ้าร่างกายหายใจเราค่อยดูไป ร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเราจะรู้สึกร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเอาทุกคนลองยิ้มหวานีกทียิ้มเห็นร่างกายยิ้มไหมใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยิ้มอาพยักหน้าช้าๆนะเดี๋ยวบางคนความดันมากพยักทีเดียวหัวทิ้มนนะี้เคลื่อนไหวเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้เราไม่ได้ดูด้วยตานะเรารู้ด้วยใจเนี่ยขยับมือ หลับตาสิแล้วลองขยับมือนะรู้สึกไหมมือมันขยับได้นี่เรารู้สึกเอานะไม่ได้ดูด้วยตาแต่เรารู้ด้วยใจเห็นไหมว่ามือมันขยับใจเป็นคนรู้สึกการที่เราฝึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาการจะเจริญปัญญาได้นะเราต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ได้อย่างน้อยต้องเห็นว่ามีสองอันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ได้ หรือความสุขทุกข์เกิดขึ้ น, นใจเป็นคนดูก็ได้โลภโกรดลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูก็ได้เนี่ยต้องฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่โลภเกิดแล้วรู้ความโอบหายไปมีศีลนี่คนละขั้นกันแต่นี้เราจะเห็นเลยความโอบกับจิตเนี่ยเป็นโคละนกันความโกรยกับจิตเป็นโคละนกันกกน ะ, นนนะไม่จะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตที่เป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะ เป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าจิตไปรู้เข้าความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความดีความชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอีกหัดดูไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะรู้เลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ไอจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่จิตที่เป็นคนดูเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนดูเดี๋ยวก็เป็นคนคิดเดี๋ยวเป็นคนเพ่ง จิตที่เป็นผู้รู้นะไม่เป็นผู้รู้ตลอดเวลานะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวใจลอยเดี๋ยวเป็นอย่าง น, น, น้นเป็นอย่างนี้แปรปลุกไปเรื่อยๆนั้นจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้เองก็บังคับไม่ได้สั่งให้รู้ตลอดวันมันก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราค่อยๆดูนะดูลงมาในกายเห็นร่างกายไม่ใช่เราดูในความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้า ความดีความชั่วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้านะกระทั่งตัวจิตเองตัวจิตเองก็แปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้เพ่งเนี่ยจิตเองก็หมุนหมุนหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายจะเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของกายส่วนของรูปส่วนของเวทนาความสุขทุกข ส่วนของสังขารความดีความชั่วทั้งหลายหรือส่วนของจิตนะก็ร่วดแต่เกิดเราก็ดับทั้งสิ้นร่วดแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นนะเนี่ยถ้าเราเห็นมากเข้ามากเข้านะั้นจิตมันมีปัญญามากพอพอจิตมีปัญญามากพอเนะี่ยจิตจะรวมในความเป็นจริงในเวลาที่จิตเจริญปัญญาเนี่ยจิตจะไม่เจริญปัญญารวดเดียวนะจำไว้เลยนี่เป็นหลักนะไม่มีหรอกจเจริญปัญญารวดเดียวมันจ ะ, จะเจริญปัญญาไปหน่อยหนึ่งนะแล้วมันก็จะรวม พักนิดหน่อยนะจะไปรู้สภาวะนิ่งๆอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปเห็นใจรักเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่เห็นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็มาพักอยู่นิ่งๆช่วงที่มันพักนิ่งๆเป็นสมถะนะช่วงที่มันเดินปัญญาเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นขั้นวิปัสสนาเวลาทํำวิปัสสนาเนี่ยจิตจะไม่ทํำวิปัสสนาตลอดเวลาจะทําเป็นช่วงๆ ทำไปหน่อยหนึ่งแล้วมันก็หยุดทำไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุ ด, ยลยดคล้ายๆก้าวไปทีละกล้าวก้าวก้าวไปก้านวะไปแล้วก็หยุดหยุดสลับไปเรื่อยๆอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่เหมือนทำสมถะทำสมถะท่านนิ่งอยู่อย่างนี้นะกี่ฟิล์มก็นิ่งอยู่แค่นี้แหละมันไม่เดินปัญญาหรอกนะงั้นต้องต้องหัดเดินปัญญาให้เป็นด้วยการดูกายมันทํางานดูจิตมันทํางานดูสุขทุกข์มันทํางานดูดีดูดชั่วมทํางานต้องฝึกนะ ถ้าเราอยากได้มากผลในชีวิตนี้เราก็ต้องลงมือลงแรง่มาหวังเลื่อนๆลอยๆว่าวันหนึ่งจะได้โดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็ไม่ได้เรื่องหรอกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงนะการที่เราจะมาอยู่ถึงตรงนี้ได้มาอยู่ในวันนี้ได้ในชีวิตเราเนี่ยลงทุนลงแรงมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมกว่าเราจะพัฒนามาถึงจุดที่มาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ง่ายนะกว่าที่พวกเราจะมีศรัทธาอยากฟังธรรมของพระ เ, เจ้าเนี่ย ไม่ง่ายหรอกคนในโลกที่สนใจฟังธรรมของพระทธเจ้ามีสักเท่าไหร่กันอย่างหลวงพ่อไปเทศนะวัดโน้นวัดนี้อะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากนิมนต์ตอนนิมนต์หลวงพ่อไปแล้วคนมามากบางทีมาเต็มวัดล้นวัดอะไรเงี้นะคนมาเป็นพันอะไรเงี้ยบอกโอ้เวลาท่านอาจารย์มาคนเยอะคนเป็นพันบอกท่านดูออกไปนอกวัดสิคนเป็นแสนในวัดมีคนเป็นพันบอกเยอะโทษเอ้ยตี๋เดียว คนนี้เดี่ยวนี้นะคือคนที่มีบุญมีบารมีนะไม่มีบุญจริงๆไม่สนใจธรรมะหรอกก็สนใจลบโล ก, โลกต่อไปมันทุกข์ต่อไปไม่มีทางพ้นจากทุกข์หรอกนะกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมานะแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างส่วนพวกเราเนี้ยอยากจะพ้นทุกข์พนร้อนมาเรียนธรรมะของพระเจ้าต้องมีบุญพอนะนี่เราต้องต่อยอดบุญของเรานะต้องถืออย่างนี้เลยว่าบุญที่เรามีตอนนี้ยังไม่พอถ้าพอเราเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้ยังไม่เป็น หรือใครเป็นแล้วมีไหมดูหน่อยมีองค์ไหนเป็นเนาะยังไม่เห็นเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นมีอยู่องค์หนึ่งนะในห้องเนี้ยเนี่ยองค์เนี้ยใครคัดค้าน <c oughs> มีองค์เดียวนะเห็ น, นเห็นไหมพอหลวงพ่อชี้ปุ๊บใจหนีมาอยู่นี่เลยรู้สึกไหมเนี่ยใจเราพร้อมจะหนีใจเราพร้อมจะหนีคืออะไร เราไม่ชินที่จะมีสติเวลาหลงหลงยาวต้องฝึกนะฝึกให้มีสติด้วยการหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันรู้ตัวขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้หลจากนั้นถ้ากิเลสเกิดรู้ทันศีลจะเกิดแล้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันสมาธิจะเกิดนะแล้วก็หัดดูกายดูใจมันทำงาน ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสุขทุกข์เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดีชั่วเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหัดอย่างนี้ที่คําว่าแยกธาตุแยกขันธ์นขันธ์มี5ขันธ์ไม่ต้องแยกทั้ง5ขันธ์ยุ่งเกินไปเอาสองขันธ์พอแล้ว2ขันธ์นะพอแตก1ขันธ์นั้นคือตัวจิตหรือตัววิญญาณขันธ์อีกตัวหนึ่งอะไรก็ได้ไปดูกายก็ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูเขาเรียกทํากายานุปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญา เห็นความสุขทุกขคือตัวเวทนาจิตเป็นคนดูแยกได้2ขันเวทนาคือความสุขทุกข์จิตเป็นคนดู2ขันก็พอมันก็จะเห็นไตรลักษณ์อีกนะก็เห็นไม่มีเราไม่มีเขาค่อยๆฝึกนีค่อยๆดูไปเอา2ตัวก็พอแล้วไม่ต้องแยกทั้ง5ขันแต่สุดท้ายแยกได้หมดแต่เบื้องต้นเอา2ขันพอตัวหนึ่งเป็นผู้ดูตัวหนึ่งเป็นผู้ดแสดง สองขันต้องเป็นตัวหนึ่งเป็นผู้ดูนะตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงถ้าเป็นผู้แสดงทั้งคู่ไม่มีผู้ดูใช้ไม่ได้เหมือนละครโลงนี้ไม่มีคนดูเลยเล่นกันอยู่สองตัวอย่างเงี้ยบ้าสิเนาะไม่มีใครดูต้องมีคนดูจิตเรานี่แหละเป็นคนดูเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าหัดนะอย่านึกว่าหลวงพ่อสอนอะไรตลกสลกนะ เป็นเรื่องสําคัญนะเราฝึกได้เราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเพราะพวกเหล่านี้แหละจะกลายเป็นพระสงฆ์ใจที่มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกมีสมาธิจิขึ้นมาจะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมา่ใจมีสมาธิยังไม่เป็นพระสงฆ์หรอกใจมีศีลยังไม่เป็นพระสงฆ์หรอกถ้าใจมีปัญญารู้ถูกเข้าใจถูกเข้าใจถูกว่าอะไรเข้าใจถูกว่าจีๆรูปนามขันห้าไม่ใช่เรา เราไม่มีในรูปนามขันห้าไม่มีเราในที่ไหนเลยอย่างนี้เราใจเราเป็นพระสงฆ์แล้วได้เป็นพระโสดา บ, บันนะฝึกนะยังไงก็ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าเกิดมาทั้งทีเรื่องอะไรต้องตายเปล่าๆเหมือนหมูเหมือนหมานะแล้วามาพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราขึ้นไปให้ได้โอกาสที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีมากนักในวัตะสงสารนี้ เราถึงร้อนเร่พระเนจรมันต้องเรื่อนนานไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะนะของพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปลงมือทำนะฝึกสติขึ้นมาพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิหัดเจริญปัญญาให้มากในที่สุดบิมุติก็เกิดกนะ็บรรลุมรรคผลขึ้นมาต้องทำให้ได้นะในชีวิตนี้ตั้งใจไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่ให้พระศาสนาเนี่ยมาจบลงที่ตัวเราเราเรียนให้รู้ให้เข้าใจแล้ว ต้องส่งทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้คนรุ่นถัดไปให้ได้นี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทําประโยชน์ของตนแล้วก็ทําประโยชน์ให้ผู้อื่นสืบต่อไปถ้าหากศาสนามาสิ้นสุดลงในมือเราเนี่ยนะถือว่าแย่มากเลยคล้ายๆได้รับมรดกมาจากพระพุทธเจ้าแล้วรักษาไม่ได้ได้รับมรดกมาแล้วรักษาไม่ได้ก็เหมือนลูกอักตันตอยู่นะ เราอย่าเป็นลูก ก, กระตันยูเราต้องเป็นลูกที่กระตันยูกับพระพุทธเจ้าศึกษาให้เข้าใจและบอกต่อนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะใครอยากเป็นลูกกระตันยูบ้างของพระพุทธเจ้ายกมือให้ดูหน่อยซิใครตั้งใจว่ายังไม่เอาอะ่ะแล้วถ้าพมาตรงๆใครอยากได้นิพพานบ้างยกมือสีอยากเยอะนะ ถือศีลห้าได้หรื อ, อยังโอ้บางคนได้บางคนยังไม่ได้อย่างนี้ผ่านเราถือศีล น, นะจิตใจอยู่กั น, น้ะกับตัวนี่หลวงพ่อคุยกับจันมาลาคุยกับท่านพิเชษ น, นะทีแรกเพราะว่าจะมมัเทศที่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วเพราะพวกเราอะคุณภาพใช้ได้แล้วดูดีเข้าใจคําว่าดูดีไหมดีหรื อ, อยังยังไม่รู้นะแต่ดูดีนะ <c oughs> แต่ว่านี่ท่านต่อรองปีหน้าขออีกรอบก็แล้วกั น, นมีใครชงกันบ้านไหมกล่าวนมรดกการหลวงพ่อครับช่วงหลังๆผมรู้สึกว่าใจมันเฉยๆต่อสิ่งภายนอกมากขึ้นแล้วความรู้สึกเฉยๆเนี้ยมันเป็นเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าเกิดจากการที่จิตไปจมแช่อยู่กับปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม จริงๆผมก็จำไม่ได้นะฮะคือคือความรู้สึกที่ผ่านๆมาคือคือคือมันไม่จำอะ่ะคือถ้าจิตเหมือนตอนนี้ไม่ใช่ครับอันเนี้ยเฉยเพราะว่าจิตมันนิ่งๆทื่อๆอยู่จิตมันติดสมถนะแต่ถ้าจิตของเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะแต่ว่าคอยมีสติรู้ไปบางทีใจก็รู้ตัวบางทีก็เผลอนะอย่างดีกว่ารู้ตลอดเวลานะ ถ้า ร, รู้ตลอดเวลาเนี่ยจงใจรู้ใจจะทื่อๆไปเวลาใจทื่อๆนะจะดูโลกเน้่ยเฉยๆแต่มันเฉยแบบเฉยเมยจะเฉยแบบเฉยเมยจะเฉยเวลายิ้มก็ยิ้มอย่านี้อย่าให้เป็ด น, นะมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับ <laughs> เออไม่หลวงพ่อเรียกว่า over action เพื่อให้เราดูออกอย่าให้ติดแบบนี้ก็แล้วกัน ก็เห็นมันเคลื่อนนะฮะเออถ้าเคลื่อนอยู่ใช้ได้ครับนะเนี่ยตอนเนี้ยใจเป็นสุขหรือใจเป็นทุกข์หรือใจเศร้าหมองคือลึกๆกพรรู้สึกว่าใจมันมีความสุขนะฮะไม่เศร้าว่าจริงไม่จริงฮะรู้ไป่างที่เห็นแล้วแหละนะครับรู้อะไรไม่สําคัญนะสําคัญที่ว่ารู้แล้วยินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทัน สำคัญที่รู้ด้วยความเป็นกลางโดยไม่ได้เจตนาให้กลางด้วยเมความสุขเกิดขึ้นเรารู้ก็ใช้ได้แต่ถ้ารู้แล้วเราพอใจเราไม่รู้ว่าพอใจใช้ไม่ได้ละกุศลเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีกุศลกุศลเกิดขึ้นเราพอใจไม่รู้ว่าพอใจใช้ไม่ได้ละวเพราะฉนั้นสําคัญที่ว่าเรารู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงไหมใช้ได้นะแต่ตอนนี้จิตถึงฐานไหมไม่ถึงครับถูกใช้ได้ผ่าน เราเห็นสภาวะตัวนี้นะภาวนาเป็นแนหะครับคือถ้าใจไม่ถึงฐานแล้วไม่เห็นนะเรียนกันยากเลยต้องฝึกอีกสมาธิไม่พอแล้วใจตั้งมั่นจริงๆนะใจก็จะเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสบายๆายเห็นทา่าเห็นขันทํางานเห็นกระทั่งตัวใจเองก็ทํางานอย่างนั้นดีที่สุดครับยังไม่เกลี้ยใจไหลหนึ่งแวบตัวไหมครับเอออย่างนั้นใช้ได้นะอ่ะ ถัดไปนรสการค่ะท่าน เ, าเวลารูปปฏิบัตินะค่ะตอนนี้มันมีปัญหาเหมือนว่ามันเหมือนจิตนะมันเหมือนมีใครมาทุบอยู่เรื่อยๆอะค่ะมันทุบที่ไหนทุบที่ส่วนหน้าอกอะค่ะ ม, ม, มันทุเหมือนทุบทุบทุบอย่างเงี้ยเออเไม่ทราบว่ารูปท่านไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราพอวนาดีแล้วมันมันหยอกเล่น <c oughs> มันแกล้ง <c oughs> เพั้นเราอย่าบ่นไวนะเราเจริญสติเจริญเมตตาไป อ, อย่าไปโมโหมัมน เ, เจริญเมตตาไปเรื่อยให้ท่องเมตตาคุณนางเอ อ, อเบริกรรมไปเมตตาคุณนางรหังเมตตาบริกรรมสบายสบายแล้วก็เห็นร่างกายมันมั น, มนถูกทุบนะร่างกายที่ถูกทุบไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าก็เจริญเมตตาเมตตาตัวนี้ด้วยเมตตาไอตัวที่แอบมาทุบด้วยนะ เวลาเราภาวนาดีๆนะบางคนที่มีวิบากเก่าๆมันจะมาคิดดอกเบีย้ยเร า, มเมาไม่ใช่ดอกเบีย้ยมันใช่เรียกอะไรนะมาทวงนี้นะ ม, น ม, น ม, นมันจะมาทวงนี้เรามันจะหมักแรงอันนี้เฉพาะที่เรามีวิบากนะถ้าเราไม่มีเวรมีกรรมไม่เคยทำบาปทำอากุลอะไรมามันมาไม่ได้หรอกมาไม่ถึงยิ่งเราภาวนาดี ภพชาติของเราสั้นเจ้านี้ต้องรีบมาเพราะโอกาสที่จะทวงนี้เนี่ยเหลือน้อยนะเพราะงั้นอย่าไปบ่นไหวต้องภูมิใจตนทุบปักปักปักโอ้ภพชาติเราสั้นแล้วแต่มันรู้สึกมันจะรบ ก, กวนเรามันควรมันแกล้งมารมันแกล้งนะมารเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครหลุดมือง่ายๆถ้ายิ่งระดับพระเทเจ้านะมันระจญหนักเลยนะ มันจะเอาตายเลยนะบารมีท่านมากท่านก็พ้นไปได้มาสอนพวกเราพวกเราก็บารมีน้อยมันก็ไม่ตัวใหญ่นักอะ่ะถ้าบารมีมากมันก็ตัวโตนะคู่ชกมันก็จะใหญ่ไปด้วยของเราก็คู่ชกกิ๊กก๊อกอยงเงี้ยไม่เป็นไรพอสู้ขอการบ้านด้วยนะค่ะดูไปได้วยใจเป็นกลางจเจริญเมตตาไว้อย่าไปโมโหมันกรา บ, บน้ำพสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ ตามดูลมหายใจเห็นลมหายใจมันเห็นโทสะไหมเห็นเห็นโทสะเราเยอะเนาะเจ้านะโทสะเวลาจิตไปรู้สภาวะแล้วถ้าโทสะแทรกก็รู้ไม่ว่ามันออกเห็นไหวขึ้นดีทำถูกะใช้ได้ตอนดูลมหายใจนะค่ะมันจะเห็นเป็นเหมือนคลื่นขึ้นถูกแต่ว่าไม่ต้องน้อมใจให้ไหลไปอยู่ที่คลื่นนั้นนะดูห่างๆดูมันดูคนอื่นแต่ถ้าใจเราไหลไปด้วย เนี่ยใจมันถลําใจที่ถลําไปเนี่ยสมาธิไม่ดีไม่พอถ้าสมาธิพอมันจะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนจะแยกออกมาลองหายใจซิอึดอัดแล้วรู้สึกไหมออถ้าอึดอัดไม่ได้ทำผิดบังคับมากไปเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ ท่านสอนบอกพิสูจทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวนะรู้ทักตัวนี้แหละเห็นตัวนี้หายใจออกเห็นตัวนี้หายใจเข้าถ้าเราไปจ้องที่ลมนะจิตจุดเข้าไปติดจะแน่นแน่นถ้าเห็นไอตัวนี้หายใจใจจะโปร่งโล่งสบายเป็นแค่คนดูแล้วสุดท้ายจะเห็นนะร่างกายที่หายใจกับจิตนะับคนละอันกันของหนูคันมันก็แยกเป็นล้วละค่อยๆฝึกไป เจ้าค่ะตอนหลังพิจารณาความความโกรธโทสะตอนหลังนั่งพิจารณาความโกรธไม่ต้องพิจารณานะที่เข้ามาเห็นเห็นพอเห็นมันมากขึ้นเออให้เห็นเฉยๆไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมากหรอกพิจารณามากเดี๋ยวโมโหอีกตอนหลังพอรู้พอรู้เห็นเห็นความโกรธมากขึ้นเห็นว่ามันมันเปลี่ยนมันคิดเองหรือว่าใช่ใช่มันคิดเองมันโกรธเองนะแล้วมันก็รู้ว่าโกรธได้เองไม่มีตัวเรามันทําเองหมดเลย อย่นันแหละเรียกว่าเราปฏิบัติเป็นดีไปทำต่อการการบ้านก็แค่ไปทำแบบนี้ต่อแต่จิตต้องถึงฐานนะตอนนี้จิตมันตื่นเต้นออกมาข้างนอกอกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ครั้งที่แล้วไปกราบหลวงพ่อที่หาดใหญ่อะครับก็หลวงพ่อก็ให้การบ้านว่าไปดูลมหายใจอ่าครับอกืก็ก็กลับจะทํามาแล้วก็พยายามปฏิบัติเป็นเป็นเออ ปฏิบัติเป็นรูปแบบอยู่ทุกเกือบทุกวันนะครับก็ดูพยายามนั่งดูร่างกายเครื่องไหวแล้วก็ดูจิตใจมันเคลื่อนเคลื่อนคิดอะไรนะครับก็บางครั้งก็จะเเห็นว่ากายกับใจมันห่างๆไม่รู้ว่าอันนี้คือเหถูแล้วละคิดเองหรือไม่ได้คิดเองหรอกคิดเองจิตมันไม่เป็นแบบนี้อันนี้คือพอจะแยกขันใช่แยกขันนั่นแหละขันมันแยกแล้วพอขันมันแยกนะต่อไปไม่ต้องกลัวอะไรละ ถ้าเราจะแก่นะขันมันแก่นะ้วไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บขันมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายขันมันตายไม่ใช่เราตายนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องสะทกสะทานอีกต่อไปค่อยๆฝึกไปทำถูกแล้วละ่ะดีก็พ อ, อจะช่วยตัวเองได้บ้างทำแบบนี้นะทาไปนะคาว่าช่วยตัวเองได้นี่นะเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ใช้กับคนที่ได้พระโสดาบัน <ขอ S 1> นะ <c oughs> <c oughs> อย่างั้นอย่างนั้นยังยังไม่ยังไม่ยัง ไ, ยงไม่ขนาดไปฝึกต่อนะก็การบ้านก็คือให้ให้ปฏิบัติทำถูกแล้วละทำถูกแล้วทำอีกทำให้สม่ำเสมอทำได้ทุกวันรู้สึกไห้จิตมันมีพลังมีพลังนะเนี่ยสมาธิที่ถูกเป็นอย่างนี้สมาธิที่สูกไม่ใช่เสื่องซึมนะมันมีพลังมันเด่นดวงโดยที่ไม่ได้บังคับสว่างสวัยโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้ดูแลอะไรเลยเป็นเอง อย่านี่ถึงจะเรียกว่าพอมาใช้ได้ขอบคุณหลวงพ่อครับกล่าวณวัสนาหลวงพ่อค่ะก็กักพังนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หนูส่งการบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ยิ น, น ค, ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูส่งการบ้านค่ะ <c oughs> แล้วก็หนูได้ ได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะจากจากยูทูบแล้วก็จากซีดีค่ะก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่คะก็คือในรูปแบบก็คือนั่งสมาธิแล้วก็พยายามรู้ลมหายใจค่ ะ, คะแล้วก็ในระหว่างชีวิตประจําวันก็พยายามถ้าถ้าว่าจากการทํางานก็จะพยายามรู้ลมหายใจแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวก็จะพยายามรู้ว่าเดินแล้วก็เวลา ออกกาลังก็จะพยายามดูว่าการออกกําลังว่าแขนขาอะไรเงนี้ค่ะก็ตอนนี้หนูก็นอกจากว่าเพิ่งปฏิบัติใหม่ค่ะก็ยังไม่ไม่ค่อยจะแน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยปฏิบัติได้ถูกหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจิตถึงถึงฐานหรือยังค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหนูได้ได้เจริญปัญญาแล้วหรือยังค่ะมันเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจในขณะที่พระพุทธเจ้าบอกวินยูชนรู้ด้วยตนเองว <c oughs> ินยูชนพวกนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจ จิตขนาดนี้ถึงฐานไหมคือตอนนี้เนี้ยจิตส่งออกนอกถูกถเป็นค่ะ น, น ะ, ะนะถึงฐานไม่ถึงฐานไม่เป็นไรถ้ารู้ว่าออกนอกก็ใช้ได้ไม่ต้องไปดึงให้เข้าฐานหรอกถ้าดึงแล้วมันจะแน่นนะรู้ว่ามันออกไปแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ยอมเข้านะแล้วก็หายใจแล้วก็ค่อยรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกให้ค่อยๆกลับเข้ามาแต่อย่าดึงแรงถ้าดึงแล้วจะแน่นนะสังเกตไหมว่ากายกับใจมันควรละอันกันค่ะอย่างนั้นแหละขันมันแยก ถ้าขันมันแยกได้แสดงว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้แต่ตอนนี้มันตั้งได้ชั่วคราวตอนนี้มันก็ออกนอกเราก็รู้อย่างที่มันเป็นคือคือระหว่างวั น, นี้หนูจะรู้จะรู้รตัวเลยค่ะว่าหนูจะหลงเสีงเงยอค่ะแล้วก็จะแค่รู้สึกตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่า24ชั่วโมงนี้จะถึงชั่วโมงหรือเปล่าน้อย <c oughs> ค่ะแล้วก็ฝึกไปไร้่อยๆต่อบบจะรู้ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้น คือสตินะพอมันชินที่จะเกิดแล้วต่อไปสติจะเกิดเร็วขึ้นที่ผ่านมามันเคยชินที่จะหลงมันก็หลงเรื่อยๆนะนนเราฝึกฝึกไหลเรารู้ไหลเรารู้ย่าเงี้ยไปมันเผลอปุ๊บมันจะรู้เองนะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เป็นธรรมดาเนี่ยแข็งไปนะถ้าปกติเป็นแบบนี้ไม่ถูกนะมันตัวรู้มันแน่นไปมันจะอย่างนี้ตลอดอยู่อย่างงี้นะทรงไว้งนี้ไม่ดี ปล่อยๆบ้างไม่ดีก็ได้นะเ อ, อมีกิเลสก็ได้เรารู้ว่ามีก็เห็นใจที่อยากพูดไมหมเอออย่างนี้ใช่ได้ไนะออหนูก็การปฏิบัติค่ะหนูก็ขอถวายเป็นพุทธบูชาค่ะทำบูชาและสังฆบูชา <c oughs> แล้วก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ค่ะก็เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวหนูแล้วก็เพื่อนร่วมทุกในสังสารวาัตรคะได้พบกับ พานิพานในอันใ น, ในอันที่ไม่เนิ่นช้าค่ะเออฉลาดดีบางคนนะขอพิลึกขอให้ได้ พ, พบทพานิพานในอนาค ต, ตการนานไกล <c oughs> โง่อจริงเลยแทนที่จะขอเร็วๆนะขอให้นานไกลนี่น่คือเปลี่ยนคำพูดซะหน่อยนะให้ถูกเลยก็ขอให้พรพาพุทเจ้าได้เวียนว่ายตายเกิดอีกนานๆประโยชนอย่างนั้นอนะ่ะ ด้วยบุญอันนี้ขอให้ได้เวียนไหว้ตายเกิดอีกนานๆไม่ฉลาดเลยเกิดที่ไรก็ทุกๆทีแหละเกินมรสการหลวงพ่อจ้ะคะก็เดินทางหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยนะคะพอจะมาถูกทางบ้างหรือเปล่าคะเห็นความเปลี่ยนของตัวเองไหมความเปลี่ยนแปลงเห็นค่ะเห็นกิเลสบ่อยไหม เห็นค่ะดีเห็นที่โมโหปากไวหงุดหงิดเห็นค่ะอืมชี้โมโหหงุดหงิดเนี่ยดีปากไวปากไวเนี่ยเพราะสติไม่ทันนะอะฉะนั้นจะไปฟองหงุดหงิดปุ๊บรู้ทันนะปากจะค่อยไวช้าลงนะยังไม่ค่อยไวถ้าปากไวเนี้ยปิดศีลนะเอ่งั้นเราฝึกไปเรื่อยแต่ไปศีลเราก็จะดีแสดงว่าที่ที่ที่ทำอยู่นี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมวจิตถึงฐานหรือเปล่าขณะดนี้ มันตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมหนูว่ายังไม่ถึงฐานเออถูกค่ะขอการบ้าน<ะ>ไปทำไปทำอีกทําถูกกันและวล ะ, ะเนี่ยแต่ละคนที่ส่งกันบ้านนใะช้ได้ทั้งนั้นนะดูมีพัฒนานะขอขอบคุณค่ะหลวงพ่อกราบนะมัสกรารค่ะหลวงพ่อคือครั้งก่อนนี้หนูตื่นเต้นมากเลยลืมขอการบ้านหลวงพ่อมารอบนี้ขอการบ้านก่อนเลยค่ะการบ้านจะมีอะไร จะมีสติรู้กายรู้ใจไปเราก็เหมืนว่ามันดูกายนีจ่จะกายเคลื่อนไหวนี่ชัดแต่ว่าจิตนั้นดูไม่ค่อยออกหรือว่าสามารถดูกายเอาไายน ะ, ะแต่และคนอ่ะจริตนิสัยไม่เหมือนกันดูอะไรชัดน้นอาวันนั้นแหล ะ, ะสังเกตไหมร่างกายเคลื่อนไหวแต่ใจเราเป็นคนดูเราะงั้นมันก็รู้ทั้งกายทั้งใจนั่นแหละนะแต่ไม่ต้องไปเที่ยวดูว่าใจเราเป็นยังไงใจเป็นไงมันจะว่างๆจะไม่มีมอะไรให้ดูไม่เห็นอะไรว่างๆไม่จงใจดูนะ งันเห็นร่างกายทางานไปใจเป็นคนดูสบายๆอย่าไปดูใจเพราะเหมือนว่ามันดูไม่ค่อยออกไม่ค่อยเห็นอะไรในใจดูไม่ถูกการดูจิตดูใจนะก่อนจะดูเนี่ยอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถ้าอยู่ๆจะไปดูไหนจิตเป็นยังไงจิตเป็นไงจะว่างๆระหว่างดูอย่าถลําไปดูดูแบบโคดมงนอกดูแล้วอย่าเข้าไปแทรกแสงนะ นี่แหลหลักของการดูจิตดูใจงั้นถ้าดูจิตแล้วจงใจไปดูมันจะว่างก็อย่าไปดูมันดูกายเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยค่ะเนี่รู้สึกไปมันไม่ใช่เรารู้สึกอย่างนี้นะอ้าไปทำต่อดูกายไปครับน้ำม<ป>ันสะักอานค่ะเราหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งนะในห้องนี้คนไหนอายุสี่สิบแปดขึ้นมีไหมสี่สิบแปดขึ้นอย่าทิ้งกายนะ เริ่มฉลาแล้วคนอายุสักสี่สิบห้าสิบนะสี่สิบแปดขึ้นไปนะปลายๆแล้วห้าสิบขึ้นนะให้ไปดูจิต ด, ดูใจอย่างเดียวให้ไปนั่งดูนะเดี๋ยวก็นั่งหลับสมองมันเริ่มเสื่อมนะแล้วเราเอาร่างกายมาช่วยกระดุกกระดิกทํางานไปรู้สึกไปนะใช้กายมาช่วยดูจิตอย่างเดียวไม่พอแล้วสู้ไม่ไหวแล้วไม่ทันหลวงพ่อตอนเด็กๆ ด, ดูแต่จิตนะ าตอนที่เจอครูบาอาจารย์อายุยี่สิบกว่าเนะี่ยทำสมาธิมาตั้งแต่เจขวบอะตอนนั้นมันยังกระปรี้กระเป๋าอยู่นะดูจิตดูใจดูได้ทั้งวันนะพออายุเยอะขึ้นนะนั่งนิ่งๆเดี๋ยวก็หลับแนละ้วสมองมันเริ่มลาเต็มทีแล้วฉะนั้นต้องช่วยมันถ้าอายุเยอะขึ้นมาเอาร่างกายมาช่วยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปรีบรีเคลื่อนไหวไว้ก่อนที่จะเคลื่อนไหวไม่ได้นะอา้า นีห่หัวเราะอีกพูดความจริง <laughs> ค่ะกลับนมัน ก, การหลวงพ่อค่ะเปกติแล้วจะเป็นคนที่ที่โมโ ห, โหแล้วก็โมโหร้ายแล้วก็หลังจากที่ว่าได้มาสวดมนต์ภาวนานแล้วก็รู้จักกับสมาธิมันก็ดีขึ้นแล้วพอดีนี้เพราะวระหว่างที่นั่งนในช่วงหนึ่งก่อนจากน้าเ น, นี้ค่ะมันนั่งแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามันลอยๆอค่ะ ไม่ทราบว่าตรงนั้นนี่มันมันเกิดจากภาวะไหนเจตียปิตินั่งกลัวหลวงพ่อมากะตื่นเต้นมากไม่รู้อย่างงี้ไม่จับฉลาดดีกว่าอะไรเงี้ยนะก็นั่งจ้องจ้องเจ้าไว้นะมันมีปิติมารู้สึกเหมือนจะลอยลอยค่ะเหมือนบางครั้งนี่คือพอนั่งไปนี่คือมันจะมีน้ำโคลนน้ำตาไหลแล้วก็มีโยกตัวเออนั่นแหละมันอ่านตายเอาปิติทั้งนั้นนะนะแสดงว่าที่ทําอยู่เป็นสมถะนะค่ะแล้วอย่างนี้เรียกว่าจิตถึงฐานหรือยังคะไม่ถึงอ่ะ ควรละเรื่องกันนะ <S 1> <S 1> แล้วตอนตอนนี้เพราะว่านั่งปฏิบัติสวดภาวนาเสร็จเอาอย่างนี้ต่อไปมีปิติรู้ว่ามีปิติ <c oughs> นะถ้าน้าตาไหล <c oughs> เห็นร่างกายมันน้าตาไหลใจเป็นคนดูถ้ามันโคลงขึ้นมาเห็นร่างกายมันโคลงใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะ <c oughs> ถ้ารู้สึกตัวมันจะลอย <c oughs> เห็นร่างกายมันรู้สึกลอยๆนะใจเป็นคนดูให้มันมีใจเป็นคนดูเรื่อยๆ แต่ไม่จ้องตัวดูนะแค่รู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งดูอยู่ก็คือให้เราเป็นคนมองเออรู้สึกเหมือนมีคนหนึ่งดูอยู่แต่อย่าไปจ้องไอ้คนที่ดูนะถ้าจ้องที่คนดูจะติดสมถะร้ายแรงเลยแล้วแก้ยากวันอันนี้มันจะมีพอเรานจะไปเรื่อยๆแกอยากนะคือมันจะมีแบบว่าเหมือนกับว่าพอเราสวดภาวนาเนี่มันจะมีเหมือนกับไอร้อนอะค่ะมันวิ่งผ่านระหว่างเมือค่ะเออธรรมดา พลังกําลังภายในลมปราณมันเคลื่อนนะที่ออกมือออกเท้านะค <Okay. S 2> อย่างนั้นนะ่ะดีสุขภาพดีเพราตอนนี้คือเมื่อก่อนมันมันมันแค่ฝ่ามือแล้วตอนนี้ก็คือมันจะเริ่มเริ่มเริ่มไปส่วนด้วย ม, ม, มันไปได้ทั้งตัวแล้วอันนี้คือเราเรียกว่าปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าะคะคัวรละเรื่องกันอันนี้เรื่องการเดินลมปราณแต่ว่าพอมีสมาธินะ มันมีจักระที่มือที่เทา้าให้หมุนจีเลยนะเนี่ยมันจะหมุนติ้วๆๆเลยแล้วมันจะมีพลังไหลออกมันจะไหลเข้ามาทางนี้น ะ, ะไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกที่มือที่เทา้ามันทำให้สุขภาพดีแล้วก็คือให้เราปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ให้รู้ทันกิเลสไหมปัดไว้โกรธขึ้นมารู้โกรธขึ้นมาก็รู้ ยิ่งเราฝึกสมาธิเยอะๆนะนีขี้โมโหนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเอาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวยิ่งขี้โมโหมากขึ้นมากขึ้นต่อไปนี้ถ้าโกรธให้รูว้ว่าโกรธรู้ทันใจที่โกรธนะคอยรู้ทันใจของตัวเองรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆส่วนไออาการของปีติอาการของพลังลมปราณอะไรเนี้ยมีก็มีไม่ไม่ว่ามันหรอกแต่ว่าถ้ากิเลสอะไรเกิดรู้กิเลสอะไรเกิดให้รู้ฝึกอย่างนี้ให้มากนะฝึกรู้ทันกิเลสไป ถึงจะได้ของดีนะอย่างนั้นของธรรมดาวิชาลมฟลานกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะลูกได้รับการบ้านจากหลวงพ่อนะคะให้ไปดูดูกายค่ะถึงในการดูกายตรงนี้เนี่ยลูกเลือกที่จะดูในเรื่องของดูลมหายใจนะคะ ในภาวะที่อารมณ์ปกตินะคะดูลมหายใจได้รู้สึกตัวเองชอบที่จะดูนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดภาวะเครียดนะคะเช่นเช่นกรณีที่มีโดนผอเรียกอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงระหว่างที่จะไปที่ผอที่ไม่สามารถที่จะดูลมหายใจได้เลยนะคะหลวงพ่อในในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยลูกเลือกที่จะสวดบทสวดมนต์ที่ชอบเป็นร้อยเป็นพันรอบเลยนะคะไม่ทราบว่าที่ลูกทเลือกทำนี้ถูกไหมคะมันถูกนะเป็นสมถะ เอ า, อางี้สิจะบอกให้ถ้าพออ่อเรียกนะเราสวดบทเดียวเลยเมตตาคุณนาเอาระหังเมตานะมตาเมตตาคุณนางอระหังเมตตานะเขาจะเรียกไปดานะมันก็เจอหน้าเราเผลอแจกเงินเลยเอ๋อนะใช้ให้มันถูกบทนะนะอย่าไปอนิจจาวัฏสงขาด่า <laughs> อย่างนั้นเป็นสมถะนะแต่ที่หนูฝึกและใช้ได้ขันมันเริ่มแยกแล้วรู้สึกไหมกายกับใจมันโคละอันดูออกใช่ไหมนัม่นแหละขันมันแยกลแล้วล่ะถ้าขันมันแยกได้แล้วการพอนามจะเข้าสู่จุดที่ราบรื่นขึ้นแล้วก็วต่อไปเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราเห็นขันมันทํางานเท่านั้นเองอะใช้ได้นะไปทำเอาแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมกลับนมัส ก, การหลวงพ่อคับ ได้ปฏิบัติมาตามรูปแบบจะรายงานตามรูปแบบก่อนลักษณะที่หนึ่งก็คือเขาอยู่บนบนแล้วเขาก็เห็นสภาวะธรรมที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ก็เห็นกายนะคแต่อยู่ไม่นานจะเกิดเป็นลักษณะที่สองด้วยอัตโนมัติคือเขาเหนื่อยแล้วเขาก็กลับมาพิงเหมือนกับอยู่บ้านแล้วก็มีวิหารธรรมตรงนี้ก็จะเห็นสภาวะธรรมหลวงพ่อคะพอทาไปมันจะเหนื่อย โยมก็นึกได้แล้วก็เห็นฟังซีดีของหลวงพ่อบอกว่าให้ทำความสงบสิ ล, ลูกเคยโยมเคยทำความสงบแล้วทำสมาธิได้แล้วแต่พอพานาบัตรนั้นทำไม่ได้แต่โยมก็ลองทำสมาธิคือดูลมหายใจบ้างบางทีเขาก็เอาพุทโธบางทีเขาก็ไม่เอาแต่มีกำลังกาลังมันหมดมันลสามลักษณะนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อโยมทาตามรูปแบบ ทีนี้ในลักษณะแบบเนี้โยงกราบขอเมตตาหลวงพ่อว่าโยมทําถูกทางไหมและขอการบ้าหลงพ่อด้วยค่ะเราต้องทําเหมือนทําเล่นๆนะของโยมจริงจังไปถ้าจริงจังมากเวลาจะมีตัวรู้เพราว่าก็รู้แรงถ้าตัวนี้มันดึงเอาไว้ไม่นานมันก็เหนื่อยนะนนแล้วมันจะหมดแรงมันเหนื่อยก็หล่นลงมานะอันนั้นเราจงใจรู้แรงไป หลงโยมมันจริงจังไปนะหัดทาเล่นเล่นบ้างแต่โยมเห็นสภาวธรรมมันผ่านไปผ่านมาเห็นนะเห็นเออเห็นแต่ว่าใจมันมันซีเรียสไปหน่อย <ฮะ S 2> ต้องดูแบบมีความสุขกว่านี้หน่อยนะดูแบบสบายใจดูแบบผ่อนคลายอันนี้เวลาทําตามรูปแบบนะคะหลวงพ่อแต่ทําให้ทํำตามรูปแบบ ทำที่บ้าเราปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นน่ะ น, นะหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจแล้วจิตเราเป็นยังไงเรารู้ทันเช่นหายใจแล้วมีความสุขก็รู้หายใจแล้วทุกข์ก็รู้หายใจแล้วสงบก็รู้หายใจแล้วฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปสบายๆถ้าหายใจอย่างนี้มันจะไม่ไปดึงให้ตัวรู้ไว้ แต่มันเห็นประจํามาหลวงพอ่อเนี่ยรู้สึกไหมตอนเนี้ยดึงขึ้นมาละใช่ค่ะมันอยู่ข้างบนนะอะเราไปดึงพลุ๊ขึ้นไปเลยเนี่ยที่ ด, ดูสิถ้าหลวงพ่อยืดขอทั้งวันเนี่ยหลวงพ่อจะเมื่อยไหมเนี่ยถ้าหลวงพ่ออยู่อย่างนี้ทั้งวันเดี๋ยวหลวงเาต้องลงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็หมดแรงสิแล้วเขาเป็นอย่างนี้เป็นประจำํำทำไมเคนี่ยคนพอมน ย, ยมนั้งปับเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาหมดมันเป็นความเคยชินของคนรักดี นะรักดีหามจัว่วใช่ไหมจั่วมันสูงนีม่มันต้องยืดเลยนะไม่งั้นหามมันไม่ถึงอ่ะ <c oughs> ใจกล้าๆหน่อยนะฝึกสบายๆเราให้โยมแก้ปัญหานี้ตรงนี้ยังไง ร, รู้สึกแต่สบายรู้ทันหายใจไปรู้ความรู้สึกไปเอาวิยารธรรมนะหายใจแล้วรู้ความรู้สึกไปนะส่วนจะไอตรงเนี้มันเกิดจากจงใจใชปฏิบัติแลดึงขึ้นมาแต่เวลาโยมไม่จงใจมันก็ขึ้นอยู่ มันชินไงไม่ต้องฝึกใหม่หายใจแล้วคอยรู้ทันความรู้สึกสองใจมากแล้วหลวงพ่อคะมันสองใจมากแล้วที่มันที่มันเกิดอยู่อย่างนี้เป็นประจำหรือเขาเกิดกันเป็นกลับกับเข้าไปปรโมโลกันด้วยวิธีนี้แหละใจเย็นเดนแล้วมีอีกตัวหนึ่งจะถามนิดนึงค่ะหลวงพ่อคือตัวมันมีตัวทุกข์อ่ะ แต่มันมีผีพู้ทุกแล้วมันมาแบบยิบิบยิบยๆบยิบยิบแล้วบางทียมหลักเลยฮะง่วงแรงไม่พอมาหลับไปหมดกําลังเนียเป็นหมดแรงต้องทํำไม่ทําอะไรก็หายใจไปรู้ทันความรู้สึกไปนะเดี๋ยวมันได้แรงแล้วมันจะเห็นในตัวนี้ยิบยับไปใจอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวตัวนั้นเป็นความปรุงแต่งขั้นละเอียดมันทุกข์ด้วยนะคะหลวงทุกข์สิแต่แต่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรนะ้เออไม่รู้เรื่องถูก จะเห็นไหวยิบยับยิบยับนะอยู่กลางอกนแหละแล้วย้มเหนื่อยถ้าดูไปเรื่อยๆจะเหนื่อยดูไปเรื่อยๆจะทุกข์เราไม่เก่งว่าหลวงพ่อหลวงพ่อสมัยเห็นตัวนี้ไม่หลับนะเห็นตัวนี้เหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วหลับหลวงพ่อเหนื่อยแล้วทุกครั้งเลยเป็นบ่อยครั้งอะหลวงพ่อเรื่องเรื่องอะสมาธิไม่พออ๋อค่ะต่อไป พิธีมรดกขวงพ่อประโมทประโมทโชค่ะโอ้เคราะห์จะผิดองค์เนาะดีใจมากค่ะได้ส่งการบ้านครั้งแรกวันนี้ค่ะฟังแต่ซีดีของท่านค่ะอืฟังทุกวันฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอะค่ะแล้วอยากจะถามว่าหนูดูจิตเป็นแล้วยังค่ะเห็นความโกรธไหมเห็นค่ะเห็นโลภไหมเห็นค่ะเวลามีความสุขรู้ไหม รู้ค่ะรู้ไหมว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปอแล้วก็ไปค่ะรู้ไหมว่าทุกอย่างมาได้เองไปได้เองค่ะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะแต่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ว่าอกิตอ่ะมันเห็นมะเร็งสาพทะคะอืมจะโกรธมากเลยพอเห็นมะเร็งสาพจะทำลายเขาว่าค่ะแล้วทีนี้พอฟังหลังจากฟังซีดีหลวงพ่อค่ะพอเห็นปั๊บ หนูก็ น, กนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อให้ถือศีลห้าค่ะออืแล้วก็<ด>หยุดได้ตอนนี้หนูหยุดได้แล้วค่ะดีสาธุเมื่อก่อนอนะหนจะเยียบอะค่ ะ, ะดีดี <c oughs> หลวงหลวงพเคยรู้จักคนหนึ่งนะกลัวแมงสามมากเลยเวลาแมงสามมานะจะกระโดดเลยจะกระโดดหนีนะ <c oughs> แต่หนีแล้วลงมาเหยียบแมงสามทุกทีเลยอ <c oughs> ่แมงสามนี่แปลกเลยชอบวิ่งมาพันขานะ เอเนั่นแหละตอนนี้พอฟังซีดีของพ่อทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามแมลงสาบกเข้ามาเองเขาก็ไปของเขาเองอได้อะคไม่ต้องไปไปฆ่าเขาเลแล้วค่ะถ้าบ้านเราไม่มีของกินเยอะนะมันก็ไม่มาคตอนนี้หลวงพ่อไม่มีแมลงสาบเลย พ, พอพอเราไม่ทำร้ายเขาอะ ก, ก, ก็ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะทีะนี้เหมือนกับว่าเขาไปของเขาเองดีคือปกติมันเป็นอย่างนี้นะแมลงสาบมันก็อยู่ของมันอะ แล้วเราเกลียดมันมากเราก็คอยสอดส่องใช่ใดูดูเอาเจอละเนี่ยนะเจอพอใจใจเราสบายไม่ค่อยสนใจละเหมือนมันไม่ไม่เห็นนะค่ะแต่ว่าต้องฟังซีดีของพ่อทุกวันนะคะฟังทุกวันฟังหลายๆรอบอะค่ะแล้วฟังได้มีความสุขเปิดเปิดไว้เผื่อแม่สามมันได้ฟังบ้างที่วัดหลวงพ่อมันมีนกนะนกเยอะเลย มีนกอยู่พวกหนึ่งเขาชื่อนกกระรางหัวงอกมันยังเด็กๆนี่แหละแต่หัวมันขาวเขาเรียกนกกระรังหัวงอกเป็นนกที่เสียงดังสวยนะแต่ไม่มีใครเลี้ยงนะเลี้ยงได้สามวันก็คงจับทอดหมดเสียงมันดังนกหูมากเลยไอ้นกเนี่ยถ้าคนไหนมันไปเกาะที่กุฏิไหนแล้วเขาไล่นะมันจะเวียนแกล้งอยู่กันะมาเก่อทั้งวันเลยถ้าพูดกับมันดีๆนะพ่อเจ้าประคูณไปร้องที่อื่นเถอะอะไรอย่างนี้นะเอมันก็เชื่อเหมือนกันนะ ลองบอกแมงสาบสไไิไปเที่ยวที่อื่นบ้างนะอือาวกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะอะ่ส่งกันบ้านเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูลมหายใจหนูก็ไปตามดูลมหายใจ่าแต่บางทีก็ดูกายบ้างนะคะอ่าหลวงพ่ออถ้าดูกายเนี่ยหนูว่าบางทีก็จะเห็นชัด ก, กว่าหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเคาะนิ้วก็บางทีก็เห็น ใจไหวอยู่กลางหน้า อ, อกด้วยแต่ก็ยังดูลมหายใจยังไม่ถึงค่ะได้ดูลมหายใจก็คือดู ก, กายนั่นแหละอ๋อค่ะอยู่ในหมวดกายค่ะก็เห็นสุขทุกข์ดีช่วยเห็นกิเลส ต, ต่างๆแต่ว่ามีมีอยู่วันหนึ่งก็เห็นว่า เ, เห็นตัวเองในกระจกอะคะ่ะไม่ไม่ใช่ตัวเองอแต่หนูว่าอเวลาเขายิ้มเขาอะไรเขาไม่ใช่หนูเลยนะคะหนูใช่ เขาเขาเป็นมารหรือเปล่าคะเขาเป็นมารหรือเปล่าคะไม่ใช่มารเขาเรียกว่ารูปมันเป็นรูปอ๋อแล้วหนูต้องดูต่อไปหรือว่าก็ดูสิมันไม่ใช่เาราแต่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่เราพอดูไปอ่ะค่ะต้องหลบอนะคะเพราะว่ามันเกิดความกลัวอืพอเกิดความกลัวแล้วหนูก็ก็ดูพยายามฝืนดูไปสักแป๊มก็ดูไม่ไหวค่ะก็ต้องหลบให้า่ดูให้ดูใจที่กลัวก่อนค่ะประจใจเป็นกลางแล้วก็คอยรู้สึกร่างกายนะ มันจะได้เห็นอีกว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกคือพอหนูเห็นความกลัวความกลัวดับแล้วมันก็กลัวอีกอะค่ะมันก็ดูออไม่ทันแล้วก็ดูใหม่กลัวอีกดูอีกสุดท้ายมันจะเห็นนะคือใจเราเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา <Okay. S 2> มันยังยอมไม่ได้แต่เราดูพามันดูเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ยอมแล้วยอมแล้วดีนะต่อไปไอ้ตัวนี้แก่ไม่เกี่ยวกับเรานะ <Okay. S 2> ไอ้ตัวนี้เจ็บไอ้ตัวนี้ตายไม่เกี่ยวกับเราแล้ว ออีกสักข้อนะคะหลวงพ่อคือช่วงนี้หนูไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไปแต่ปกติถ้าทําสมาธิไปเนี่ยถ้าหลับแล้วก็จะรู้ว่าบางทีสับพ ง, งกหรือว่าคือมันจะมีตัวรู้อยู่แต่ช่วงนี้ค่ะตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเ อ, อนั่งสมาธิไปสักพักจิตรู้มันก็รู้อยู่อย่างนั้นแล้วอยู่สักพักมันก็หายไปหมดเลยตัวรู้มันก็ไม่มีไม่เห็นกายไม่เห็นอะไรเลย มันก็เข้าไปประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแต่พอออกมามันก็ยังมีตัวรู้อยู่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูที่หนูทำอย่างนี้มันจิตมันตกผวังไปน ะ, ะ ม, ม่นเหมือนเราหลับใ น, นตัวนั้นไม่ใช่ว่าดีไม่ดีหรอกจิตเข้าไปพักเฉยๆแต่ว่าออกมาแล้วมีตัวรู้อยู่ก็ใช่ได้ค่ะไม่ได้ติดสมาถะใช่ไหมค ะ, ะไม่ได้ติดสมาถะใช่ไมยไม่ติดอหนูติดฟุ้งซ่านมากกว่าสมาถะเลยค่ะเออ หนูกับข อ, อกันบ้านของหลวงพ่อค่ะไปดูอีกค่ะเหมือนเดิมนะคะออกรรมฐานไม่เปลี่ยนบ่อยนะ<ช>ถ้าเปลี่ยนกรรมฐานรายวันเนี่ยภาวนาไม่ดีหรอกภาว<อ>นากรรมฐานเนี่ยเขาใช้กันเป็นปีๆบางคนน่ะกรรมฐานอันเดียวใช้ทั้งชาติหลวตามหาบัวท่านบอกท่านใช้พุโทโธนะตั้แต่ต้นจนจบเลยตลอดเลยกรรมฐานอันเดียวเองไม่มีอะไรแต่ไม่ได้พุโทโธให้จิตนิ่งนะ ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็พุทโทรให้จิตนิง่งแล้วพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พุทโทรเราก็รู้ทันจิตไหมคะเพื่อให้การภาวนาลูกไม่ติดขัดนะคะลูกขอกราบขอขามา ต, ต, ต่อพระรัตนารายพระอริยสงเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนากักบวชขอขามาพระอาจารย์ปราโมทปราโ ม, าโมชโชติออขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูช า, ามมธรรมบูชาสังฆบูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ต่อพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชลูกสะพายวันาไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ น, นะคะสาธุว่าเร็วๆพวกนี้เริ่มง่วงแล้วกาบประสบการ์หลวงพ่อครับ ผมไปที่สวนตติธรรมที่ยี่สิบเก้ามีนาครหลวงพ่อก็ให้การบ้านมาให้ดูลมหายใจดูกายครับก็ไม่เชิงว่าเพ่งแต่ต้องบางครั้งมันจะรู้สึกว่ามันมันรวมที่กลางกระหม่อมทุกครั้งเลยครับอะไรนะความรู้สึกครับมันจะเหมือนว่ามาอยู่ตรงกลางกรมม็รับถ้าถ้ามันรู้สึกก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าจงใจให้จิตไปอยู่นะอ ย, อย่าให้จิตไปค้างแต่ของโยมองอย่างนี้ไม่ดีนะมันขึ้นไปครับ ทำยังไงต่อครับนะพ่อรู้อย่างที่มันเป็นนะถ้าใจมันไปติดนิ่งติดเฉยอยู่นะให้กลับมาดูกายเลยพิ่จะดานาร่างกายไปเลยแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะไล่ผมกวอนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงเนี้ยไม่ให้จิตมันไปติดนิ่งติดเฉยอยู่นะให้มันทบทวนอยู่ในร่างกายมากมากนะแล้วถ้าหากในขณะนั้นมันเห็นจิตเห็นใจมันก็เห็นด้วยอัตโนมัติไม่เป็นไรนะ อย่าให้มันไปค้างอยู่ที่นี่นะไปเอง <laughs> ไปเองเราก็พามันกลับมาดูไก่นี่ทีละส่วนทีละส่วนไปไ <c oughs> ม่งั้นเดี๋ยวมันไปค้างอยู่ตรงนั้นนานเนี่ยไปติดครั บ, บ, ร บ, รบน้ำพรัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติในรูปแบบมาหลายปีแล้วอะ <c oughs> ค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติถูกไหมแล้วก็การที่จะขึ้นวิปัสสนานั้นควรจะทําอย่างไรคะวิปัสสนามันก่อนจะขึ้นวิปัสสนาได้เราต้องแยกขันได้ะเห็นไกายกระจายเป็นขร่านการเห็นสุขทุกข์กระจายก็ขร่า น, นเห็นดีชั่วกะใจก็รวร่านตอนนี้เห็นนะยังอ่ะไม่แน่ใจเจคะ่ะเรายิ้มสิ <c oughs> รู้สึกไหมร่างกายยิ้มค่ะไปยักหน้าสิ เนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนรู้สึกนะไม่ใช่ไดนะ้ของโยมเนี่ยกรรมฐานเดิมที่ทํานะมันใช้กําหนดเอาเพียงเอานะเพราะฉะัจะติดแต่ตอนนี้คลายออกแล้วละนะดีกว่าเก่าแล้วละ่ะใจมันเริ่มเคลื่อนได้รู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนได้แนละ้วใช้ได้ถ้าใจมันนิ่งเฉยเจออะไรก็กาหนดแนละ้วก็นิ่งอยู่นะไม่ดีอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาได้รู้สึกไหมใจนีไปคิดได้ เออเนี่ยใจหนีไปคิดเราก็รู้เอานะหรือร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ใจหนีไปก็รู้นะฝึกรู้กายฝึกรู้ใจอย่างนี้เพ่งนะถ้าเพ่งลมจะอึด อ, อัดอึดอัดยังก็ไม่มากค่ะนั่นแหละก็แสดงว่าเพ่งไม่มากก็คือเพ่งนะนะถ้าถ้าใจเป็นตัวรู้จริงไม่อึดอัดนะรู้สบายสบายรู้ปลอ ด, ปลอดโปร่งโล่งเบา ไปทำอีกไหมชค่ะกลับขอบพระคุณชอบค่ะคุณสุดท้ายกลับนมัสการคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หลวงพ่อประโมทชามโมชวมถคุณนนท์คุณนี่ด้วยแล้วก็คณะสงฆ์รวมทั้งโสดีกรยามิตทั้งโอ้คนนี้น่าจะเป็นสอสอค่ะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะก่อนหน้านี้หนูไม่ค่อยมีภาวะอารมณ์โกรธเท่าไหร่แต่พอ พอช่วงหลังนี้มีภาวะอารมณ์โกรธแล้วอารมณ์โกรธนี้มันจะรุนแรงมากภาว่าอะไรนะโกโรธ<อ>ค่ะโกโรธทีนี้พอมานี้ถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โกโรธปุ๊บหนูจะด่าเลยแต่ว่าพอพอหนูเพะาะจังหวะที่โกโรธแล้วด่าไปหนูก็รู้ว่าหนูโกโรธในภาวะร่างกายรู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟสมองอกแล้วก็มันร้อนมากนะคะแต่ว่าแต่ว่าพอทิ้งไปช่วงหนึ่งพอดูไปบ่อยๆปุ๊บ เจากที่ว่าชอบด่าก็เริ่มจะโกรธแล้วก็หยุดมันปิดปากซะพอปิดปากพอมาช่วงหลังอีกกอีสักระยะนึงปุ๊บพอพอมีภาวะโกรธอีกภาวะโกรธรุนแรงปุ๊บอีกหนูก็หนูก็ใช้วิธีหนูก็ใช้วิธีที่ว่าโอเคโกรธก็โกรธแต่ว่ามีมีเสียงเหมือนเสียงอีเสียงน่งบอกว่าขอโทษนะคะถ้าเกิดพูดคำหยาบไปนิดนึงมึงจะโกรธอะไร ทำไมมึงต้องโกรธด้วยอมึงโกรธแล้วเขาเป็นทุกข์ก mm. right? ับมึงไหมความรู้สึกหนูก็เลยเออว่ะก็จริงว่ะแล้วทําไมหนูต้องโกรธด้วยพอพอเกิดภาวะแบบนั้นปุ๊บหนูก็เออผ่อนไปอารมณ์ที่ว่าโกรธแรงปุ๊บมันก็ลดลงมาจนจนในที่สุดหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่โกรธแต่พอหนูตั้งใจว่าไม่โกรธปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันภาวะโกรธรุนแรงมากขึ้นนะคะพอโกรธรุนแรงมากกว่าเดิมปุ๊บ ปากมันเริ่มจะไปอีกแล้วแต่ว่าพอพอพอสติมาอีกครั้งหนึ่งมึงจะโกรธทำไมทําไมต้องโกรธด้วยอืเท่านี้หนูตบตบไอ้ตัวที่เตือนนั้นออกไปค่ะพอตอบไปปุ๊บแล้วหนูก็นั่งกลับมาพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทมันมันบอกเราเมื่อกี้อะ่ะมันคือสติของเราทําไมเองไม่ไปดูของมันนะเองไม่ดูของมันทําไมก็พอหลังจากนั้นหนูก็เลยดึงสติตรงนั้นกลับมาอีกทีนึงเวลาโกรธปุ๊บหนูก็ เงียบไม่พูดอะไรแล้วก็คือเงียบอย่างเดียวเลยพอช่วงหลังๆมันก็เริ่มผ่อนๆจนรู้สึกว่าเออช่างมันจะโกรธก็โกรธจะโมโหก็โมโหจะโลภ ก, ก็โลภช่างมันหัวจะจะหลงหรืออะไรฟุง้งซ่านก็ช่างหัวมันแล้วตั้งไว้เลยหนูก็ตั้งไว้แบบนั้นนะคะอาจารย์จนมาวันนึงหนูก็ลองคือหนูปฏิบัติก่อนหน้านี้ปฏิบัติทำ บ, บ่อยมากแล้วช่วงหนึ่งหนูก็หยุดไปเพราะเนื่องจากเรามีภาระหน้าที่หนูก็เลย โอเคในเมื่อฉันไม่สามารถปฏิบัติหน้าพระได้ฉันขอดูอารมณ์ของตัวเองแต่ละวันและกันแล้วหนูก็ดูอารมณ์ของตัวเองทุกวันนะคะบางทีก็ดูทันบางทีก็ดูไม่ทันแต่ก็รู้ว่ามันมีเป็นช่วงๆที่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเ อ, อดูตัวอย่างที่เขาเป็นนะใช่ค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอพอนั่งสมาธิแล้วมันมันนั่งไม่ได้หนูก็เลยว่าไม่เป็นไรนั่งไม่ได้ก็หยุดก่อนอพอพอพอภาวะจิต เริ่มนั่งได้ก็นั่งแต่พอนั่งปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ อ, อมันจะเป็นช่วงที่ว่าแล้วก็ปุ๊แค่ประมาณสองวินาทีค่ะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนหลับในที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยค่ะเราก็เลยเ อ, อช่างมันเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างนั้นเ อ, อค่ะ <laughs> ทีนี้ไม่ตามว่าหนูมาถุกทางแล้วยังคะมีอะไรต้องมีอะไรต้องแก้ไขแล้วก็มีการบ้านที่หนูต้องส่งไหมคะรู้ไปเรื่อยเรรู้ไปสบายสบายต่อไปเวลาโกรธนะให้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธเราเราเป็นแค่คนดูดูอีบ้านนี้มันโกรธดูอย่างนี้นะแล้วดูอีนางเนี่ยมันโมโหอะไรย่างเงี้ยดูดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยเดูสบายสบาย เวลามันฟุ้งซ่านก็ดูอีบ้านนี่มันฟุ้งซ่านต้องอย่างนี้นะหนูก็ดูแบบนี้อยู่ค่ะอั่นแหละคือดูดูจนรู้สึว่าเออขี้เกียจดูแล้วมึงจะเกิดก็เกิดช่างมึงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบทําใจอย่างนั้นที่หนูวางนะค่ะของหนูวางว่มึงจะเป็นอะไรก็ช่างมึงกุไม่ยุ่งกับมึงแล้วใจใจเรามันไม่โปร่งนะใจเรามันไปไปพูดพูดอย่างงั้นมันเพื่อจะได้สบายใจเท่านั้น นะต่อไปนี้เราพยายามดูนะเวลาโกรธขึ้นมาเราเห็นเหมือนคนอื่นโกรธเวลารอบเวลาสุขเวลาทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นทำงานดูมันดูคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปชิดอะไรมากหรอกอ๋อหนูก็เคยลองเหมือนกันค่ะแต่พอเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะ เอาหนูลองลองดูแบบนั้นปุ๊บหนูว่าหนูนั่งหัวเราะเลยนะคะหนูว่าเออตลกดีเหมือนกันนะเวลาโกเวลาเวลาร่างกายมันโกรธนี่เออตลกดีว่าเออนั่นแหละดูแล้วมันมันมันเป็นได้ด้วยอะไรประมาณนี้ยคือเห็นแล้วตลกมากเลยค่ะนั่นแหละอาจารนั่นแหละอจบแล้วหนูต้องส่งกลับบ้านอะไรอีกไหมคะอาจารย์ไปดูต่อไปดูอีกบ้านนั่นแหละอ่าได้ค่ะ ขอให้บุญกุศลที่หนูได้กระทำในปัจจุบันชาตินะคะจนถึงอนาคตชาตินี้ส่งไปให้จ ะ, จะเกิดอีกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะมี อ, อ น, นาคตชาติเดียวสุดท้าย อ, า อ, อนาค <ขอ S 3> ตชาติสุดท้ายแล้วค<ะ>่ะขอเพราะหนูมีห่วแค่พ่อกับแม่เท่านั้นชาตินี้หนูก็เลยว่าถ้ า, ยายขอย่งไรก็ขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึง ทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านแล้วก็หลวงพ่อปราโมสนะคะขอขอให้ได้รับสมบุรสมบูรณ์ด้วยหนูก็ขอแค่ชัดนี้ชาติสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์สาธุค่ะกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะที่มีเมตตากับทุกคนในวันนี้นะคะค่ะขออนุญาตกล่าวนำคำถวายนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย จตุปัจจัยทยธทานาแกหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชว์พเพื่อประโยชน์เพื่อควา ม, มสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นการละนานเทิน ยถาวาริวาฮาปูราภริภูเรนติสาครังเยาวเมวะอิโตตินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิพัชตุสัพโรโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกผวะอาภีวาธนาศีลิสนิจจังุทาปจายโนจตารโรธรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลังนี่หลวงพ่อนั่งตัวนี้นะหลวงพ่อเห็นตั้งแต่คนผูเก็ตคนหาดใหญ่สงขลาคนนครสุราชมีหลายจังหวัดนะ เนี๋ยเราพ่อต้องไปแล้วล่ะนะพวกเราฟังแล้วต้องภาวนานะชีวิตเราต้องดีขึ้นให้ได้โอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมีไม่บ่อยนะนี่หลวงพ่อไม่ได้มาบ่อยพวกเราฟังซีดีหรือดู y o u ูทูบนะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นต้องฝึกนะค่อยๆฝึกอย่ายอมจำนนกับกิเลสนะสู้มันต้องทนทุกข์ให้ได้ ไปก่อนล้